มรสการพระจากครับมีเมื่อวันมีพระสูตรหนึ่งไปเจอก็จะสอดคล้องกับรัตนะห้าเราเคยเจอรัตนะห้ า, าที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นก็คื อ, อผู้ที่ประกาศคำสอนของพระตถาคตนะ วันนี้ไปเจออีกว่าบุคคลสามจำพวกหาได้ยากในโลก 1. การเกิดมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ประกาศคำพระตถ า, าคตแล้วก็สผู้มีความกระตันยูกตวเวทีนี่สมจำพวกที่หาได้ยากในโลก <c oughs> วันนี้คําถามเริ่มเริ่มก่อนนะครับเพรว่าเรื่องตัณหา อันนี้เป็นคําแนะนําจากท่านหนึ่งนะครับ เ, เรียนเรียนแนะนําในเรื่องของการเรียนในคอร์ส น, นะครับบอกว่าคิดว่าในการตั้งหัวข้อนี่แล้วแต่พระอาจารย์นะครับในการตั้งหัวข้อที่พระอาจารย์บรรยายในช่วงเช้าเช่นในเรื่องของกายคตาสติหรืออานาปานาสติแล้วช่วงบ่ายก็อยากจะขอความเมตตาให้เปิดดีวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ น, น, นะครับ เช่นพร้อมกับพระสูตรท่านุททเจ้าทร ง, ทร ง, ทรงสั่งสอนไว้ก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจได้ส่วนในช่วงเย็นก็ขอให้เป็นการซักถามเฉพาะเรื่องที่ได้บรรยายในวันนั้นแล้วก็ปัญหาเฉพาะตนเพื่อความไม่ซ้ําซ้อนกันของคําถามนะครับส่วนในคําถามที่ว่าเป็นคําถามทั่วไปต่างๆก็ขอให้เป็นในวันในวันสุดท้ายอันนี้ก็ก็ ท่าก็ชีแจงมาเพื่อเพื่อขอความคิดให้พิจารณาตามนี้นะครับก็สุดแท้แต่พระาจารจะพิจารณาแต่ว่าหวังดีนี่จะได้จะได้เห็นพระสูตรับอก็ก็อาจจะอต้องเริ่มเริ่มทำนะครับก็ลองนะครับสำหรับคําถามในวันนี้นะครับก็มีขอจะเริ่มในการปฏิบัติก่อนนะครับคําถามว่า ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่จะมีอาการเหมือนกับหูดับคือไม่ได้ยินอะไรเป็นช่วงๆอย่างนี้เกิดจากอะไรหรือว่าบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาสวดมนต์อาการแบบนี้เป็นผลของการนั่งสมาธิหรือว่าที่เรียกว่าจิตหลอนหรือเปล่าครับราอาจารย์เราเราลองกลับมาที่ลมหายใจดีไหมล่ ะ, ะ, ะถ้ามันเงียบไปมันก็ก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้ามีมีเสียงมาสดน์เนี่ยมันเริ่มถ้ากรณีนี้น่าจะคนละแบบกันน่าจะเป็นการส่งออกของจิตน ะ, ะแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจของเราเอ่อมีพระรูปหนึ่งที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันท่านก็นั่งสมาธินั่งเสร็จแล้วท่านก็นั่งไปนั่งไปโอ้โหได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเสียงคนมาดีพินนะ เาะมานะก็ฟังไปฟังไปฟังไปแต่นี้ท่านก็เอ๊ะมันใช่เหรอเนี่ยนะนะฟังไปมันเหมือนอยู่ในสวรรค์เป็นเสียงเองในสวรรค์ท่านก็ดึงจิตกลับมากลับมาเอาปรากฏว่าฝนมันตกข้างนอกนะป๊อกแป๊บป๊อกแ ป, ป, ป, ป, ป๊มันก็เข้าไปนะจิตก็ปรุงไปนะเดี๋ยนี้ก็มีหลายอย่างนะดีแล้วท่านก็ไม่ได้ ปล่อยให้เปลินไปก็ตั้นลองค่อยๆดึงกลับมานะที่กายของเรามันก็ <c oughs> ได้ความจริงปรากฏอย่างนี้มันก็จะมีอาการหลายๆอย่างนะนั้นพรุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้เราลืมกายเนี่ยนะการนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากเลยเพราะว่าเรามักจะลืมเผลอนะแล้วก็เพลินไปกับอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากายคาตาสติ อันชนเราได้หลงลืมอามาตะชื่อว่านชนเหานั้นหลงลืมนะเราะนั้นเราก็พยายามอย่าลืมกายของเรานะครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําเทคนิคการเดินการ น, นั่งครับพระอาจารย์าการเดินนะจงกรมมานั่งสมาธิเทคนิ ค, คก็ไม่มีอะไรเดิน <c oughs> เดินปกตเิเดินเอาจิตอยู่กับกายอะ่ะนะเราก็รู้สึก การเคลื่อนไหวของเท้าหรือว่าที่เท้าเนี่ยสัมผัสพื้นนะก็เดินพยายามคอยดูว่าจิตมันเคลื่อนไปหรื อ, อยังเคลื่อนปั๊บเนี่ยกลับมาเคลื่อนปั๊บเอากลับมาเนี่ยคอยระวังอยู่อย่างนี้นะแล้วความความรู้ในในอาการสัมผัสนะหรือในอาการก้าวเดินของเราเนี่ยมันจะมันจะเริ่มคงที่แล้วมันจะต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยได้ได้ประโยชน์มากเดินโยนกลมก็ได้ประโยชน์มาก เดินโยงกลมเนี่ยจะได้ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้เห็นว่าขณะที่อายตนะเปิดหมดเนี่ยาตาเราไม่ได้หลับเราไม่ได้หลับตาเวลาเดินจงกลมจะทำให้จิตสงบได้ยังไงขณะที่จิตต้องสัมผัสอยู่กับทุกๆอายตนะอย่างเนี้ยนะ <c oughs> ตรงนี้ถ้าเราฝึกได้เนี่ย ไปที่อ น, นิสงของผู้เจ้าที่บอกว่าอ น, นิสงของการเดินโยมกลมเนี่ยสมาธิอันเกิดจากการเดินโยมกลมย่อมตั้งอยู่ได้นานนะเราจะมีมีความตั้งมั่นตรงนั้นมากเพราะในขณะที่จิตสามารถส่งออกไปได้ทุกอายเจตนะแต่เราสามารถควบคุมให้นิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทได้เฉยๆอย่างนี้แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีกําลังของความตั้งใจมั่นเนี่ยค่อนข้างมาก ก็จะเป็นเหตุให้สมาธิเราดีนะเวลาเดินจงกรมเสร็จแล้วมานั่งสมาธินี่มันก็จะนั่งได้ดีสงบได้เร็วน ะ, ะถ้าใครสังเกตจะเป็นอย่างนั้นพอนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่าย อ, อาตมาถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปฝืนนั่งให้มันเจ็บปวดแข้งขาอะไรแต่เราสลับเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับพู้เจ้าจึงให้เดินสลับนั่งสอนให้ภิกษุเนี่ย หลังฉันแล้วก็ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนะเราจะได้ฝึกสันมาธิไปในทุกๆอิเลียบทด้วยนะยางลานั่งนั่งลถมาแล้วก็นั่งทําสมาธิมาด้วยก็นั่งดูลมหายใจก็ออกมาเห็นเนไ่มจริงๆเราเวลาเรานั่งรถไปทํางานแล้วก็นั่งทําสมาธิ ยมออสที่คูโบต้าเขานั่งรถตู้มาครึ่งชั่วโมงมาทํางานเขาก็ได้นั่งสมาธิยอยู่บนรถตู้ครึ่งชั่วโมงนะเวลาก็ไม่เสียไปเปล่ากับการที่เราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะพยายามจับฉวยครูเจ้าเรียกว่าให้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายนะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งนะอะไรเป็นกุศลปับล๊บเราลีบหยิบ ม, มาทำหยิบ ม, มาทำเรื่อยๆ ก็นํามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ตลอดเวลาใช่ครับใช่เขาถามว่าการสูดลมหายใจเข้าเป็นการเกิดเมื่อหมดลมหายใจตอนเข้าเป็นการดับและเมื่อกลั้นลมหายใจเป็นความว่างแล้วจึงปล่อยลมหายใจออกอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับก็ไม่ไม่มีนะอ่าก็การ การเกิดดับอยากจะวัดจากการที่วิญญาณขันเนี่ยเพราะการที่อยู่กับลมหายใจคือจิตอยู่กับรูปธาตุนะรูปธาตุมันจะมีดินน้ําไฟลมสี่ธาตุลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราอยู่กับลมก็ชื่อว่าอยู่กับกายนะพระเจ้าจะจัดอธิบายไว้นะจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาอยู่กับลมไม่ได้อยู่ตลอดมันหลุดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ใช่ไหมหลุดไปอีก3ขันเนี่ยมันหลุดจากลมไปเมื่อไหร่เนี่ยดับละลูกดับพอหลุดจากลมปับ๊บรูปดับ นมามธรรมเกิดดงั้นโยมให้ระวังนมามธรรมสามตัวเนี่ยซึ่งมันจะเกิดตลอดเวลาเลยมันไหวมากนะไปคิดอดีตบ้างไปปรุงแต่งอนาคตบ้างไปพอใจไม่พอใจบ้างเนี่ยมันจะวนอยู่นี่นะง mm hmm. นั้นเวลามันขยับไปปั๊บเนี่ยให้รู้มันพูดนิดเดียวในใจเนี่ยมันไปแล้วนะพูดมันจะมีคําพูดตลอดเวลาอะไรในใจเนี่ยพูดน้อยบ้างมากบ้างอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็น อยู่ยแบบมีเพื่อนสองใช่ใช่ผู้เจ้าจะเรียกว่าอยู่อย่างมีเพื่อนสองยังไปหาถ้าอยู่มันก็ผูดในใจตลอดเพื่อนสองมันตามตามเราไปทุกที่นะธีแก้เพื่อนสองก็อน า, าปานอนาปานใช่ใช่ <c oughs> ให้อยู่ยกับกา ว่าเวลาไปปรุงมันก็จะต้องมีเวทนาเข้ามาแสบด้วยตลอดเลยมัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่แค่เวทนา <c oughs> เวทนาไม่จะอยู่กับเวทนาก็คือโยมคิดถูกเปล่าคะเวลาเวลาตัด <c oughs> ไปนึกถึงอดีตมันก็จะทุกข์สุขเวทนามจะตามมาตลอด อ, อบางทีก็ตามบางทีก็ไม่ตามคือมันอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกเวทนาเป็นที่ประชุมลง ของทำทั้งหลายเวลาไปคิดไปลายปุ๊บมันจะมาจบที่เวทนาและสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าเมื่อเราเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุถึงฐานะใดฐานะหนึ่งที่ต้องการจะบรรลุถึงเวทนาะก็จะตามไปด้วยโอ้โหแสดงเวทนานี่มันมันตามเราไปทุกที่เลยบรรลุธรรมแล้วก็ยังเกิดเวทนาะพอใจที่ได้บรรลุธรรมตรงนี้ ซึ่งจะเรียกว่าอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตยิ่งกว่าไม่อิงอามิตรนะนั้นต้องมีการปล่อยวางทุกขณะหมดเลยเบุคคลเมื่อภาษากระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกบางทีมันไปนึกไปคิดไปรู้สึกแต่ไปนึกไปคิดมันมันก็มาจบที่เวทนาอยู่ดีอย่างที่โยมว่าพระเจ้าจึงกระโดดจากสายปฏิจจะเนี่ยจากภาษามาเวทนาเลยไม่ได้พูดว่านึกคิด นึกคิดเนี่ยไปอยู่อีกพสูตรหนึ่งซึ่งเป็นการขยายขยายสายปฏิจจตัวจากภาษามาเวทนานะจะไม่เอามาปนกันทําให้สายมันยุ่งนะจะไปพูดอีกพสูตรหนึ่งเหมือนตัณหามาอุปทานมันมีซอยย่อยอีก9อาการจะแยกไปพูดอีกพสูตรหนึ่งไม่งั้นถ้ามาปนนะพสูตรมันจะยุ่งนะอย่างนี้ครับสังเกตคำถามนะครับถามว่าในเรื่องของความโกรธครับ จะใช้พุทธ ว, วจะนะข้อใดนะครับเพราะว่าบางทีก็โมโหลูกนะครับเพราะว่าลูกเขรู้ว่าแม่มีจุดอ่อนตรงไหนก็พยายามจะยั่วแล้วก็ได้ผลนะครับก็เลยอยากรู้ว่าถามพระอาจารย์ต้องมาถึงพระอาจารย์แล้วนะครับจริงๆก็นาปาเยางอาตมาสมัยทํางานนะโกรธลูกน้องเพราะดึงจิตมาที่ลมนะแม่วันนั้นเห็นความโกรธชัดมากว่าโกรธอันดับปุ๊บเลยนะอ่า ถ้าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะความโกรธมันก็ดับไปได้นะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะการดึงจิตมาลงหายใจเนี่ยไงเออมันทำให้ให้แบบว่าเราเรามีสติขึ้นนะที่พระุทธเจ้าบอกว่าอนาปานาสินเนี่ยดับอกุศลได้ทุกเรื่องเลยนะเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ่งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนะฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาก็ทําฝุ่นให้เนี่ยระงับไปนะเฉะนั้น อ, นอนานาปานเนี่ย สามารถแก้อกุศลได้นะสามารถทําให้ถึงวิชาวิบุติได้เพราะนั้นไม่มีอกุศลอะไรที่อนาปาแก้ไม่ได้นะแต่มุมมองเนี่ยเรามองให้เป็นมองว่าพอดึงกลับมาปั๊บเนี่ยความโกรธมันจะดับไปทันทีเพราะนั้นะให้เราเห็นการเกิดดับเกิดดับของความโกรธนะอันนี้คืออนาปานะนาปาณสีสมาธินี่แหละอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของปราณีเป็นของเย็น เป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะนั้นต้องโดยควรแก่ฐานะด้วยนะดูมันก็อยู่ที่กําลังอินทรีย์ของโยมนะถ้าอินทรีย์โยมยังไม่มากมันดับปั๊บเดียวแล้วมันไปใหม่นะแต่โยมทําไปเรื่อยๆเถอะเราจะเห็นโกรธเกิดดับโกรธเกิดดับเกิดดับเกิดดับมุมที่โยมจะต้องเห็นคือ ความโกรธก็เป็นอนัตตาความโกรธก็ดับไปได้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปสนใจเนื้อหาของความโกรธนะให้มองในมุมอริยสัจว่าอ๋อมันก็มีความเกิดและมีความดับต่อไปเนี่ยโยมตอกย้ําตรงนี้เรื่อยๆนะดูเหมือนมันจะแก้ไม่ได้แต่มันแก้ได้และแก้ได้แบบถาวรด้วยต่อไปพอโยมโกรธขึ้นมาปุ๊บโยมจะรู้สึกเดี๋ยวมันก็ดับเนี่ยมันคําว่าอนัตตาหรือคําว่าการดับเนี่ยมันมี มันมีประสิทธิภาพขึ้นมาแล้วเดียมจะรู้สึกมันไม่มีสาระมันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับอยู่ดีอะไรที่ยังไม่ดับเนี่ยโยมดูไปเรื่อยไอ้ความโกรธนี่เนี่ยผ่านมาอาทิตย์แต่มันยังไม่ดับนึกถึงมันทีไรมันโกรธทุกทีนะดูไปดูไปก็เอาธรรมะไปพิจารณายังไงมันก็ต้องดับและพอณวันหนึ่งที่โยมบอกว่าไอ้คนเนี้ยแค้นมากเลยกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ยังไม่หายแค้นพอเวลาผ่านไปผ่านไปจน สเดือนสเดือนเออเดี๋ยวนี้นึกถึงมันก็เฉยๆแล้วอ่ะเนี่ยมันดับไปละโยมจะยิ่งเห็นชัดว่าไม่ว่าความโกรธใดๆที่เราว่าไม่ดับแน่นอนเลยไอ้คนเนี่ยเห็นหน้าทีไรแค้นมันทุกทีนะมันก็เปลี่ยนได้โยมเห็นอย่างเนี้ยบ่อยๆเรื่องโกรธทุกเรื่องมันจะจืดไปและพอโกรธหายปุ๊บประเมินได้เลยเดี๋ยวมันก็ดับนะมันประเมินล่วงหน้าอารมณ์ได้เลยนะ มันจะเห็นความไร้ส า, าระตัวนี้ตัวเนี้ยดีมากนะเพราะมันเป็นอริสัตยโดยตรงที่เราเอาเข้าไปจับจนมันได้ผลไงมั้นก็ดึงกลับอารมณ์นี่แหละแล้วให้ดูว่าอ๋อโรกรธเมื่อกี้ก็ดับไปได้ถึงแม้จะดับชั่วแป๊บเดียวแล้วกลับไปใหม่ก็ตามอย่างน้อยก็ได้ตอบย้ำามันดับไปได้มันไม่อยู่ถาวร อ, อย่างเนี้ยก็ใช้ได้ทุกอารมณ์นะครับพ่อจ๋าความฟุ้สร้างความผ่านใจความห่วงกังวลชหรือว่า ความชอบไม่ชอบใช่และยังเป็นเหตุให้อายุยืนด้วยนะอานาปา่าเนี่ยโ อ, อ, <นะ S 1> อ้นะอธิษฐเยอะนะเพราะว่าเรามาโยงกับที่พระสูตรที่เป็นเหตุให้อายุยืนใช่ไหมว่ารู้จักทําความสบายนะบุคคลรู้จักทาความสบายโยมดูสิว่าเจริญอนาปาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าทําให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบากกายจะสบายตาจะสบายนะนั้นอานาปาจึงเป็น นึงในเหตุปัจจัยของความอายุยืนด้วยเหมือนกันน ะ, ะคำตอบสุดท้ายของคอสนี้ที่เหลือนะครับอนาปานาสติีนะครับก็มีอะไรก็อนาป า, นาเข้าไว้ครับการมองดูทะเลที่เวงวางถ้าไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นถือว่าเป็นความว่างไหมครับอาจารย์อ๋อ <c oughs> มันจะเพลนหรือเปล่าเนาะเพลนกับรูปหรือเปล่านะ ทะเลเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้เจ้าไม่เคยแนะนำนะทะเลชายทะเลไม่ได้แนะนำให้ให้เที่ยวไปนะปกติเนี่ยผู้เจ้าจะชี้สถานที่ที่วิเวกหลีกเล้นเนี่ยนะท้องถ้ำเชืเงื้มผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลมฟางนะจะบอกแบบเนี้ยหลายครั้งมากเลย น้อยบ้างมากบ้างแต่สังเกตไม่เคยเห็นแนะนําชายทะเลสักครั้งเดียวนะก็เป็นเรื่องที่แปลก่ เ, เราพี่นาได้สองอย่างว่าหนึ่งเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อปฐมฌานเสียงคลื่นที่ซัดมาเรื่อยๆนะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสมาธิในเบื้องต้น อย่างที่สองเนี่ยทะเลอาจจะเป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่ค่อยสงบก็ได้นะนั่นก็ <c oughs> หรือทะเลอาจจะเป็นเหตุนําพาไปนะซึ่งอสาทะนะในอารมณ์ต่างๆนะอารมณ์เวงว่างอารมณ์เศร้าอารมณ์สุขพอใจมันจะทําให้ดึงไปได้ง่ายอย่างนะีนะ้รัอาจารย์เคยไป แถวริมทะเลเพื่อจะไปบําเพ็ญภาวนาเห็นไหมครับรู้สึกอย่างไรครับก็ยังยังไม่เคยไปเพื่อบําเพ็ญภาวนาแต่ถ้าไปเพื่อผ่านไปหรือไปพักไปอะไรนี่ก็ก็มีเหมือนกันการนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาอธิบายลักษณะของลําดับแห่งการดับของสังขารวงเล็บไว้ว่าชานสิบคือ ประถมฌานคือว่าจะดับเสียงไม่เป็นปัญหาขอพระอาจารย์ไม่ตาอธิบายลำดับต่อๆไปจนถึงการสิ้นอาสวะด้วยชันสิบเหรอสิบหรือสวงเลยว่าฌาน1ิบนะครับเขียนเลขสิสิบมันเลยมั้งมันไม่มีอาจอาจจะอาจจะจะเป็นความหมายแต่ว่าขอให้เราอธิบายลำดับการดับของสังขารนะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่ประถมฌาน ที่บอกว่าวาจาดับแล้วก็ ต, ต่อต่อไปเนี่ยก็คือฌาน <c oughs> าต่อไปดับยังไง <c oughs> <ช>ก็ทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดเรื่องเรื่องสมาธิจะมี9้าระดับนะแต่และระดับเนี่ยจะมีความดับดับดับดับอะไรดับดับดับไปเรื่อยในสมาธิเก้าระดับเนี่ยสมาธิจะได้เรียกได้ทั้งคําว่าสมาบัติได้ทั้งนิโรธนะที่ก็บอกสมาบัติเข้าสมาบัติเนี่ยเราก็เข้ากันอยู่ตั้งแต่ปฐมฌานได้แล้วนะ สมาธิเก้ระดับนะผู้เจ้าจะตัดเรื่องของบุมในมุมของความดับนะมันจะมีมุมขององค์ประกอบของสมาธิว่าสมาธิขั้นนั้นมีอะไรบ้างกับมุมของความดับว่าอะไรดับไปได้บ้างนะส่วนตัวคําว่าฌานใน9ระดับเนี่ยฌานเนี่ยจะอยู่แค่4ี่ระดับแรกสีนะ่ระดับแรกเนี่ยจะเป็นคําว่าฌานฌะานหรือฌานะ ส่วน3ระดับต่อมาจะเป็นระดับอะรูปอรูปประสัญญาส่วน2ระดับต่อมาเนี่ยอยู่ในช่วงกัมกึงระดับที่8อยู่ในช่วงกัมกึงสัญญามีก็ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ น, นั้นก็จะมีที่พุทธจ้าบอกทั้ง2องอย่างว่าใช่สมาธิที่เป็นสัญญากับไม่ใช่ ก็ยังบอกว่าเนวสัญญาก็ยังยังเป็นสัญญาอันหนึ่งก็มีนะส่วนลําดับที่เก้าสุดท้ายเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะเป็นสมาธิที่ดับขันได้ถึงสามขันแล้วก็จะเหลือแค่สองขันนะอันนี้เรียงลําดับตั้งแต่เก้าเนี่อลำดับที่หนึ่งเนี่ยปฐมฌานเนี่ยจะมี ประมาณ5อาการที่ใช้ในการตรวจสอบเช่นวาจาดับวาจาดับอกุศลดับนะนะการมาสัญญาดับนิวรห้าดับเสียงไม่เป็นอุปสรรคจะมีเครื่องสังเกต5อย่างอย่างนี้ในปฐมฌานส่วนพอขึ้นมาทุติยฌานปั๊บเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกว่าวิตกวิจารดับนะจิตที่ คิดเรื่องธรรมะปรุงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่คิดธรรมะคิดดีไม่ใช่ฟุง้งซ่านละถ้าฟุงา้งซ่านเรื่องการงานเรื่องครอบครัวนั้นอยู่ในเรื่องของดีวร อ, อุทธจัจจะต้องหยุดฟุ้งซ่านตรงนั้นได้ก่อนนะความสงบเกิดขึ้นมาพินาอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลพินาปฏิจจสมวัติหยุดพวกนี้ได้เนี่ยก็คือระงับวิตกวิจารณ์ได้เข้าสู่ความสงบทุติยฌานฌานที่2 จะมีปิติมีสุขเกิดถ้ายมวางปิติได้นะจะเข้าสู่ชานที่3ามตัทยาชานสุขันเกิดจากสมาธิในตัตยาชานถ้ายมวางได้จะเข้าสู่ชา้นที่4จนะจะตุจชานันซึ่งชานที่4เป็นจิตที่เรียกว่าจิตที่ควรแก่การงานจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็ น, น, นเอเนกเลยไปก็ไม่เหมาะ ต่ำลงมาก็ยังไม่พอดีนะมาพอดีที่จตุจัฌานคือฌานที่4นะตัวฌานที่4จะมีเครื่องวัดเพิ่มอีกอันคืออัสสาสะปัสสาสะดับหรืออีกอันหนึ่งก็คือสุขนะสุขอันเกิดจากสมาธินะในฌานที่3เนี่ยดับไปนะในฌานที่3จะเรียกว่าอุเบกขาสุขนะตัวนี้จะเป็นอุเบกขาปกติละที่ไม่ไม่เจรด้วยสุขตรงนั้น แต่ก็ยังมีพระสูตรที่บอกว่าจตุตชาญก็จัดว่าเป็นสุขวิหารธรรมอีกเหมือนกันตัวฌาน 1,2,3,4 เนี่ยเป็นสุขวิหารธรรมนั้นอย่างเวลาปริพาชกเขาตำหนิสาวกของผู้เจ้าว่าเสพสุขผู้เจ้าก็บอกถูกต้องเราเสพสุขในปฐมฌานทุติยฌา น, ต, ต, าานตัตยฌานจตุตชาร เพราะเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากจเจริญให้มากนะแต่สุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะทุเจ้าให้ละนะพอขึ้นอากาสานันจายจตนะเนี่ยรูปประสัญญาการหมายรู้ในรูปเนี่ยจะดับนะตัวชาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอาศัยรูปนะให้จิตเกาะเพื่อเข้าสู่ความสงบ จึงเรียกว่ารูปสัญญาที่เขาเรียกกันว่ารูปประชานน่ะนะไม่มีนะผู้เจ้าไม่เคยตรัสคําว่ารูปประชานจะใช้คําว่ารูปสัญญานะอาูปประชานก็ไม่มีนะพระ อ, องค์จะใช้คําว่าอาลูปสัญญานะนั้นรูปประชานอาูปประชานเนี่ยเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นภายหลังนะเราสามารถทิ้งไปได้เลยนะไม่มี <c oughs> พอขึ้นถึงอากาสานญจ่ายตนะเป็นลักษณะการทําในใจเราไปเจอการแปลในบาลีสามรัตที่แปลเกินหนึ่งเหมือนกันอาการสาวิญญาอากินเข้าใช้คําว่าบริกรรมซึ่งในบาลีไม่มีคําว่าบริกรรมนะในสมาธิตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้ท่านผู้ท่านจึงแปลใหม่ว่าเป็นการทําในใจนะนั้นอาการที่จะ เข้าสู่สมาธิระดับอรูปเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการเพ่งในลักษณะของฌานคือฌานะมาเป็นการทำในใจนมันเป็นความละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถึงจะปล่อยวางรูปประสัญญาได้ไม่งั้นจะปล่อยวางรูปรสัญญาไม่ได้จึงสังเกตว่าสมาธิในระดับอรูปขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีคำว่าฌานหรือฌานะเลยแม้แต่คเดียวและไม่เคยใช้ที่ไหนเลย และในบาลีสยมรัฐก็แปลกเกินอีกเหมือนกันเขาจะใช้คำว่าอากาสานันใจยยตนาฌานวิญญาณันใจ ย, ยัตนาฌานแต่กลับไปดูที่ตัวบาลีจริงๆแล้วฌานเนี่ยไม่มีไม่มีพูดต่อจากตัวนี้ทั้งหมดนะเป็นการพูดที่เติมเข้าไปในการแปลภาษาไทยเองนะพาะไปคิดว่าฌานเนี่ยคือสมาธิทั้งหมดนะอาจจะได้อิทธิพลมาจากคำพีวิสุทิมัที่ ถูกแต่งมาเมื่อพันกว่าปีที่ใส่คำว่าฌานเข้าไปในสมาธิระดับอารูปอย่างนี้อาการสาณจาชั์ตนะเป็นลักษณะที่รูปสัญญาดับสนิทส่วนใหญ่สาวกเข้าใจผิดว่าจตุจานเนี่ยรูปดับนั้นสาวกจำนวนมากจะบอกว่าฌานสีเนี่ยแยกรูปได้เด็ดขาดแล้วจริงๆยังไม่เด็ดขาด พระผู้เจ้ายืนยันว่าชาติหนึ่งสอสสนั้นขันทั้ง5ยังทำงานอยูน่นี่คือสิ่งที่สาวกเนี่ยไม่รอบรู้เท่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พอบัญญัติออกอาปั๊บจะผิดทันที น, นั้นการบัญญัติของสาวกต่างๆเนี่ยจะต้องกลับมาเช็ค ก, กับพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกครั้งพราะผู้เจ้าละเอียดกว่ารูปเนี่ยจะดับสนิทจริงๆในอากาสานันจายตะนะ แต่ชาติที่สี่เนี่ยเหมือนแตกไว้แผ่วๆนะเพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าธาตุดินไม่หนีมือหายเท้าหายจะเหลือแต่ลมและลมก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, นไปเรื่อยๆก็คือจิตจะเริ่มวางวางธาตุที่หยาบไปธาตุที่ละเอียดขึ้นวางวางวางไปเรื่อยๆจนกระทั่งวางรูปทั้งหมดคือวางธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั้นในระดับจตุจารย์เนี่ยก็คือแตะเฉยๆนะ เหมือนเป็นการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงอย่างเงี้ยแต่ไว้เฉยๆแต่ยังไม่หลุดนั้นขณะนี้ในฌานที่4ี่ผู้เจ้าจึงบอกว่าขันทั้ง5้าเนี่ยยังทำงานอยู่เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้ง5ต่อไปนั่นแสดงวันรูปยังมีแต่พอขึ้นอากาสาะผู้เจ้าจะเปลี่ยนคำพูดนิดหนึ่งคือเมื่อได้สมาธิขั้นนี้ก็จะบอกให้คนคนนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันทั้ง4จะไม่มีรูปละ เพราะนั้นรูปดับสนิทจริงๆในอากาสานันจายจตะนะนะซึ่งวางรูปประสัญญาได้สมาธิ3ขั้นนี้เหมือนกันนะก็คือลักษณะของการหลุดพ้นใช้หลักการเดียวกันให้ตามเห็นการเกิดดับขันทั้ง4นะตัวนี้รูปประสัญญาดับตัวนวิญญาณจายัตนะก็คืออากาสานันจายตนะดับ ตัวอากาศศารเนี่ยทาในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดส่วนวิญญาณจายจะยตนะทําในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดส่วนอากินจัญ ญ, ญาจตนะทําในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีไม่เอาสัญญาไม่เอาการหมายรู้ไปหมายรู้ในธรรมธาตุใดๆนะสิ่งที่มีอยู่เราไม่เข้าไปหมายรู้ให้รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยว่างนะตัวเนี้ยก็เป็นความว่างในระบบสมมตินะอะไรอะไรก็ไม่มีว่างหมด แต่ยังมีวิญญาณที่เข้าไปรู้ความว่างนี้ได้ก็เลยยังว่างไม่จริงเนี่ยในสมาธิสามขั้นนี้ขั้นที่ห้าหกเจ็ดนะเป็นสมาธิที่สามารถใช้ในการหลุดพ้นได้เหมือนกันด้วยการดูขันทั้งสี่เกิดดับ ก็จะมีสาวกพูดอีกว่าสมาธิระดับตั้งแต่อากาสายขึ้นไปเนี่ยใชในการหลุดพ้นไม่ได้เพราะเข้าไปเห็นลือสีโยคียที่ได้สมาธิพวกนี้แล้วหลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะไม่รู้อริยสัจแต่ถ้ารู้อริยสัจผู้เจ้าบอกหลุดพ้นได้ด้วยการตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสีในสมาธิเหล่านีน้ก็สามารถหลุดพ้นได้3ขั้นนี้เห็นการเกิดดับขันธ์ทั้งสี่ แต่พอมาเนวสัญญากับสัญญาเวทีใช้การเห็นการเกิดดับของขันไม่ได้แล้ว <c oughs> มุมในการหลุดพ้นจะต่างกันไปเนวสัญญานาสัญญายัตนาจะต้องใช้การออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่ก็คือจะเห็นการดับการเกิดนั่นเองเห็นอริยสัจแล้วถึงจะหลุดพ้น สัญญาเวทิตก็เหมือนกันต้องออกมาแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่2สมาธิขั้นสุดท้ายนี้หลักการเข้าวิมุติจะเหมือนกัน3ตัวนี้หลักการเข้าวิมุติจะเหมือนกัน4ตัวนี้หลักการเข้าจะเหมือนกันนะสตัวนี้เห็นการเกิดดับขันห้าแล้วเข้าวิมุติได้3ตัวนี้เห็นการเกิดดับขันทั้ง4แล้วเข้าวิมุติได้2ตัวสุดท้ายต้องออกแล้วต้องเข้าสมาธิไปใหม่ออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ ชายีพิสุผู้นั้นคือพิสุผู้เพ่งเพียนอย่างฉลาดจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนะ <c oughs> ถ้าโยมตายไปในขณะที่ได้สมาธินะในแต่ละระดับเนี่ยจะได้ไปเป็นเทวดานะเทวดาซึ่งได้กายแต่ละแบบแต่ละแบบผู้เจ้าจะอธิบายไปหมดว่าไปเป็นเทวดาที่ได้กายอะไรบ้างนะได้กายพรห ม, มกายิการนางเทวานัง ได้กายอาภาัสระนะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ก็จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถิชนนะเว้นแต่ว่าโยมได้สมาธิในทุกระดับนี้แล้วยมตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5 ห, หรือขันธ์ทั้งสี่ไปด้วยโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลในภพนั้นนะซึ่งก็น่าจะเป็นระดับของสกท า, าคามีเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าในภพนั้นเนี่ย ก็จะปเินิพานธในภพนั้นด้วยเพราะในภพของอนาคามีจะมีแค่สุทธาวาสห้าชั้นแค่นั้นแต่ในภพอื่นทั้งหมดเนี่ยวินอากาสาวิญญาอากินมีอริยคนอยู่หมดนะและจะปเิณิพันธ์ในภพนั้นได้ด้วยนะอ่านี่ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งเพราะบางคนก็จะบอกว่าพวกเทวดาปเินิพานธ์ไม่ได้นะหรือปฏิบัติธรรมไม่ได้ นั้นกลายเป็นว่าในภพของเทวดาซึ่งมีฐานมาจากการได้สมาธิในทุกระดับตรงนี้มีอริพุคลอยู่ด้วยนะและจะปรันิพันธ์ในภพนั้นได้แต่ถ้าโยมไม่เห็นการเกิดจับของขันธ์ทั้ง5้าหรือขันธ์ทั้ง4โยมจะไปเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนซึ่งเมื่อทําการละแล้วพระุทธเจ้าก็บอกเธอนั้นก็ยังไม่รอดพ้นไปได้จากนรกกำหนดเดชานหรือเปบกษา ซึ่งเทวดาพวกนี้ก็มีฤทธิ์มีปฏิหารทั้งสิน้นเพราะนั้นฤทธิ์ปฏิหารไม่ได้ช่วยให้เขาเนี่ยพ้นจากอบายทุปฏิวิญญาณนรกไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความแก่เจ็บตายผู้เจ้าจึงไม่เสริญไม่สรนเสริญเรื่องฤทธิ์เรื่องปฏิหารแต่กลับรู้สึกว่าพระองค์รู้สึกอึกอัดขยะกข ย, ยง้งเกลียดชังต่ออิที่ปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารนะเพราะมันดึงความสนใจของเราให้หลีกออกจากอริสัตีไปน <c oughs> นี้ก็เป็น เป็นแง่มุมต่างๆนะไปได้หลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะสมาับก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับพอพูดเรื่องเทวดาอันั้นเนยโยมถ้าโยมอันนี้ที่จะมารวมมาให้นี่มันมาไม่รู้จากกี่พสูตรนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมสังสมสุตตา ม, มากเนี่ยแล้วโยมเชื่อมโยงได้โยมคลุกอยู่แต่กากคำพุทธเจ้าเนี่ยโยมจะเข้าใจเรียกว่ามันจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้จริงๆ โดยความเข้าใจครับเรามักจะเข้าใจว่าอ๋อขั้นตอนอย่างเงี้ยเป็นสมถะอย่างเดียวต้องวิปรัชนาใช่แต่คือมันจะมีมุมของมันที่จะต้องเราต้องมองให้คร บ, ครบใช่เรื่องของความเกิดตายแล้วก็ว่าขั้นไหนเข้าวิบูทอย่างไรใช่ใช่เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากสําหรับพระที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะมุมมองจะแคบมากความรู้จะไม่กว้างไม่แตกฉานและเมื่อไปบัญญัติหมายพวกเนี่ยจะผิดทันทีเลยอย่างเงี้ย เรื่องถามเรื่องกรรมฐาน40กองครับ <c oughs> พระอาจารย์ <c oughs> อย่างนี้มีไว้เพื่อสกัดกั้นความคิดใช่หรือไม่ครับมีในพุทธวจนะเดินไม่มีกรรมฐานสี่กองไม่มีแล้วคําว่ากรรมฐานก็ไม่ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเรื่องการภาวนากรรมฐานเนี่ยแปลว่าฐานะแห่งการงานลองลองไปดูกรรมฐานนะกรรมฐานตัดไว้กรมมานพนะแปลว่าฐานะแห่งการงานการไถการค้าการขาย พระสูตรที่เกี่ยวกับพุทธวจนะจะมีแค่พสูตรเดียวนะกรรมฐานหนังนะตัดกับมนุษย์คือมาราวะนะมหาถังมหากิจจังมหาที่กลางหนังนะพอลองไปดูภาษาไทยนะดูก่อนม น, นุษย์ฐานะแห่งการงานมีความต้องการมากมีกิจมากมีทรัพกรมากคื อ, อไรการไถยนะการค้าการขายอย่างนี้เป็นการงานของคราวาสนะไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา นั้นการปฏิบัติภาวนาผู้ย่าจะใช้สมถาวิปัสสนาไม่ต้องไปต่อกรรมฐานนะนั้นส่วนใหญ่นะวันนี้เราตัดสมถะไปเราดูถูกดูแคลนสมถะเหยียดหยามสมถะเกลียดสมถะนะอ่าดิสเครดิตสมถะนะแต่จริงๆเป็นคำที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าใครทำมากชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเองไปสู่นิพพานสมถะมีประโยชน์นะต้องทามากจเจริญมาก แต่ยึดติดไม่ได้นะนั้นสมถะต้องบวกกับวิปัสสนาคือเห็นการเกิดดับต่อไปและตัดคําว่ากรรมฐานทิง้งไปซะนะมันมีแต่คําว่าสมถะกับวิปัสสนาซึ่ง <c oughs> ซึ่งสงชื่อนี้เป็นชื่อแทนมักมีองแปดด้วยนะมักมีองแปดสามารถพูดย่อลงมาเหลือสองชื่อได้คือสมถะกับวิปัสสนาะถ้าพูดย่อเหลือ3าคือศีลสมาธิปัญญา เราผมก็ยอยู่อยู่ไหนนะอ๋อหลังสุดเรารอสักครู่ครับ๋ <c oughs> ยใหม่เข้าไปหาไม่เจอพอกราบเรียนถามว่าขณะที่จิตหลุดจากชั้นหนึ่งเข้าชั้นสองเนี่ยนะคะจะมีลักษณะฟุ้งในธรรมใช่หรือเปล่าจ๊ะคะ ใช่เหมือนเหมือนกับว่าฟุ้งในธรรมนั่นแหละจะจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่เราจะสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับธรรมะในข้อต่างๆอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าจะใช้กคำวิตกวิจารณ์นะอ่าก็คือวิตกวิจาร์ก็คือคิดเรื่องธรรมะนั่นแหละนะแล้วมันก็จะสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้ามานั่งสอนเราอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยต้องหยุดนะต้องหยุดตัวนี้พุทเจ้าจึงบอกว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจาร์เนี่ยเป็นสมาธิที่ละเอียดปราณีตกว่า <c oughs> แล้วค่ะแล้วลูกพรม ท, ที่ที่ว่าลูปประสัญญาเนะี uh ่ย huh. คือคือเวลาทำฌานเนี่ย uh huh. ในพระวจะนะได้ได้กล่าวหรือเปล่าใช่เหาะว่าเมื่อทำฌานได้ลูประฌานแล้ว uh huh. ก็ตายไปขณะนั้นเนี่ยจะไปเกิดเป็นลูปประพรม uh huh. แล้วส่วนทำอัลลูกประสัญญา uh huh. เวลาที่ขณะที่ตายในขณะที่ทำอัูประสัญญาเนี่ย ตายไปแล้วจะกลายเป็นอะลูปะพรมบอกอยู่ <นะ S 1> บอกใช่ไหมจ<ช>๊ะ<ช>คะแล้วอสัญญสตาพรมนะคะที่ที่ในในในภาพพิธามจะบอกว่าอสัญญสตตาพรมเนี่ยคือเป็นพรมที่มีเฉพาะรูปไม่มีนามส่วนอะลูอะลูปพรปมเป็นพรมที่มีนามแต่ไม่มีรูปในพระวจนะได้กล่าวถึงอสัญญสตตาพรมไว้อย่างไรพี่ฟังไม่มีไม่มี ถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าผิดและนะ้วนะเพราะฉะนั้นอภิธรรมเนี่ยก็คือคําที่แต่งขึ้นใหม่เนะ น, นั้นสาวกก็แต่งไปแต่งมาเนี่ยมันจะมาขัดกับพุทธวจนะนะในในเรื่องของการไม่รูปพระุทธเจ้าจะใช้คําว่าการได้อัตตาการได้อัตตาสอย่างอัตตาที่สําเร็จด้วยมหาปุถุธาตุสอัตตาที่สําเร็จด้วยใจอัตตาที่สําเร็จด้วยสัญญานะเป็นอัตตาที่ไม่มีรูนะสองอันเนี่ยยังมีรูปนะ แต่นั่นคือการได้อัตตาของเขาการได้ตัวตนนั้นในผู้ที่ได้สมาธิระดับอากาสารัญจายจตนาขึ้นไปเขายังได้อัตตาแต่เป็นอัตตาที่ไม่มีรูปสาเร็จด้วยสัญญาอย่างนี้นแล้ ว, ลวที่ที่ทพอฌานขั้นที่เก้าอะค่ะ uh huh. สัญญาเวทยิ ต, ตะนิโรธ uh huh. เนี่ยเวลาที่ทำฌานนี้แล้วตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นอรูปภพเหมือนกันใช่ไมคะ คือเพราะว่าปกติแล้วที่เคยทราบว่าถ้าเป็นอลูปัสัญญาสี่ก็คืออากาศาสจนถึงเนวัสัญญาเนี่ยจะไปเกิดเป็นอลูปภพม์ทนี้ไม่เคยกล่าวถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยว่าจะไปเกิดเป็นอลูปภพม์ด้วยหรือเปล่าใช่ยังไม่เจอเรื่องสัญญาเวทิตนิโรธใช่จะเป็นเดี๋ยวจะให้ให้พระช่วยสืบค้นให้นะว่าสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ย เป็นอะไรที่กั้มกึง่งบางคนก็ <c oughs> ไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิที่จ ะ, จะต้องได้ความเป็นพระลาหน์แต่ก็ไม่ใช่เพราะยังเป็นสมาธิอยู่ไม่ใช่สภาวะของของพระลาหน์เป็นแค่สมาธินะสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยคนที่เข้าได้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็จะไม่สอนบอกว่าผู้นั้นเนี่ยนะถ้า เข้าและออกจากสมาธิเรื่อยๆจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบคนคนนี้จะรู้เองเพราะสมาธิสองขั้นคือเนวสัญญากับสัญญาเวทิตเนี่ยเป็นสมาธิที่ดับสัญญาซึ่งพระเจ้าเคยบอกว่าพระองค์สอนได้เฉพาะผู้ยังมีสัญญาและใจถ้ามีสัญญามีใจสอนได้แต่ถ้าสัญญาไม่มีแล้วเนี่ยนี่ก็สอนไม่ได้เพราะผลของสัญญาคือคําพูดที่พูดออกมา มันสื่อกันทางคําพูดไม่ได้แล้วนะเพราะการจะหลุดพ้นได้นั้นนะต้องสื่อทางคําพูดที่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารนะนั้นเมื่อเมื่อไม่มีการปรุงแต่งทางวาจีหรือวาจาเนี่ยนะการสื่อธรรมะกันสื่อไม่ได้นะนั้นตัวเขาเนี่ยต้องใช้ภูมิปัญญาเขาเองเพื่อหเห็นอริยสัจนะนั้นก็จะมีตัวสัญญาเวทิตนิโรดเนี่ยนะตรงนี้ถ้าอ่า ไปดูที่พระท่านรวมเรื่องพบภูมิอาจจะมีคําตอบอยู่แล้วก็ได้พอดีอาตมาไม่ได้เข้าไปดูตรงนี้ท่านรวมมาให้หมดแล้วว่าพบภูมิต่างเนี่ยโดยพุทธวจนะเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นอย่างอภิธรรมที่บอกพรมลูกฟักอะไรแต่และเนี่ยไม่มีนะพระเจ้าจะชี้ไปเลยว่าชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วเราจะได้อี ก, อ, กอย่างหนึ่งคือว่าพรมหรือเทวดาเนี่ยพระเจ้าจะเรียกกลุ่มเดียวกันคือเทวดา แต่เป็นเทวดาที่ได้กายพรหมหรือได้กายสําเร็จด้วยใจนะนั้นคํารวมเรียกทั้งหมดของพรหมของเทวดาเนี่ยเรียกเทวดาได้เช่นผู้เจ้าบอกว่าจะได้กายพรหมมกายยิกานังเทวานังเป็นเทวดาที่ได้กายพรหมกายยิกาอย่างนี้แล้วในภาพที่ในใ น, ในพระวจนะได้มีการกล่าวไหมเจ้าคะว่าพรหมคือคือ ถ้าอรหันต์ที่ได้เป็นอนาคามีแล้วเนี่ยจะอยู่เฉพาะในพรมชั้นสุดทาวารท่าเท่านั้นใช่ถูกต้องเป็นชั้นของอนาคาเท่านั้นมีในสุดทาวารก็มีห้าชั้นอีกแล้วท่านก็จะนิพพานที่ตรงนั้นเลยถูกต้องใช่ <c oughs> อารูปภพลมก็มีอยู่อารูปลมที่เป็นอรูปคือพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัณจัยนะ เป็นอนาคามีไหมนะอา่า <c oughs> เป็นอนาคามีไหมเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่ขอตรวจดูก่อนละกันว่ามันจะมีความล้าเหลือมกั็นไหมระหว่างห้าชั้นของอนาคามีนะอวิหาอจปาสุทธสีสุทธสทธาอาการนิฐานะคือรูปภพลมหรือรูปภพลมครับตรงนี้ยังยังไม่ชัดเจนนะจะต้องต้องตรวจดูว่าเพราะบางทีเนี่ยบางพบมันคาบเกี่ยวกันนะ แต่แต่อารูปเนี่ยมีอริยบุคคลแน่ละนะอ่าเพราะถ้าเพราะถ้าเป็นรูปรูปประพมคืออนาคามีแสดงว่าได้ได้ฌานสีแล้วแล้วได้เป็นอนาคามิฌานสีอใช่ไหมคมีรูปก็คือสมาธิเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องวัดตัวความเป็นอริยะนะตัวสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องทําให้เห็นการเกิดดับเฉยๆนั้นถ้าระดับอนาคามีจะต้องวางความพอใจใน อายตนาทั้งหหรือวางความพอใจในธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมได้ได้สนิทได้ขาดถึงจะได้ระดับอนาคามีนะนครับแคราบครับก็เดี๋ยวกลับไปที่คำถามที่คงค้างอยู่นะครับมีหลายแผ่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีท้ายๆจะเป็นช่วงถามส ด, ดสัสสกสักพูนนดนเดี๋ยวพิดา ต, ต่อครับ ตอนนี้เป็นเป็นคำถามทั่วไปมีคนถามมาว่าพระอาจารย์ศึกษาผลงานของท่านท่านพุทธทาสมาหาเล่นอยากทราบว่าพระอาจารย์เคยได้สนธนาธรรมกับท่านท่านพุทธทาสสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อ๋อไม่เคยเจอกันเลยนะตอนนั้นเราเราศรัทธาหลวงพ่อชาเราว่าหลวงพ่อชาเก่งที่สุดแล้วเราจะไม่วิ่งไปหาใครนะ อท่ า, าน <laughs> น, านี้ถามมาว่ามีหนังสือที่เราสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้เองที่บ้านหรือไม่ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นหัวใจของเรื่องสำคัญเช่นอริยสัจสีปฏิจจสมบบาทได้หมายถึงจะศึกษาศึกษาเองที่บ้านใช่มาได้เลยเยอมก็คือ ห้าเล่มเท่านั้นที่เป็นผลงานท่านทุทธาตที่เป็นการแปลคํำผู้เจ้าคาต่อคาโดยไม่ได้ใส่ความเห็นนะความเห็นท่านจะแยกออกมาเป็นเชิงอัดอย่างนีนะ้เพราะนั้นถ้าโยมทำตัวเหมือนอาตมาที่อยู่คนเดียวแล้วก็คลุกอยู่กับห้าเล่มเรียนโยมกลมนั่งสมาธิไปสงสัยก็เปิดห้าเล่มนี้สงสัยก็เปิดห้าเล่มนี้เดี๋ยวก็กระจางนะ ธรรมะจะค่อยๆเปิดออกมามันจะเชื่อมโยงกันเห็นความเชื่อมกันเชื่อมกันไปเรื่อยๆแรกๆอ่านจะรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนเข้าใจเหมือนกับไม่มีอะไรแต่พออ่านซ้ําครั้งที่2องสามสี่ส0บยี่สิ้าครั้งไปเรื่อยๆเนี่ยยมจะเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะและจะรู้เลยว่ า, าแหล่งความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในนี้เท่านั้นเองนะอ่ามันเป็นหัวใจเลย นั้นหนังสืออื่นของท่านผู้ท้ารัตมาก็ไม่ได้แนะนําให้ไปอ่านเพราะมันก็เป็นการประพันธ์ขึ้นหรือเป็นอัธกถาเหมือนกันแต่แนะนําเฉพาะผลงานการแปลคำพระศาสดาห้าเล่มนะโยมก็เท่ากับได้ยินได้ฟังจากศาสดาโดยตรงนะท่านนี้อยากให้ท่าอาจารย์อธิบายความหมายของคําต่อไปนี้เจ้าคะ่ะคำแรกคือ อ, ค อ, อุปทานเจ้าค่ะอุปทานก็ ก็คือความยึดนะการจับยึด อ, อย่างจิตเข้าไปการจะเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยจะต้องมีตัณหาตัณหาหรือความอยากเป็นตัวนําพาให้จิตเนี่ยเข้าไปสู่อารมณ์นี้เมื่อตัณหาหรือนาฏิความน้อมไปนะนำพาจิตเข้าไปสู่อารมณ์นี้การที่อารมณ์นี้จะมีในอยู่ในจิตได้จะต้องมีการจับจิต เหมือนกับว่ากระดาษจะมีในมืออาตมา ต, ต้องจับไว้ถ้าไม่จับกระดาษจะหล่นหรืออารมณ์จะต้องไม่มีในความรู้ของจิตตรงนี้คืออุปทานตัณหานำพาเข้าไปอุปทานจับยึดกระดาษมีในมือเรียกว่าพบนะมีสถานที่เกิดแล้วจิตเข้าไปตั้งอาศัยในนี้แล้วนะเพราะนั้นมันจะติดกันเลยถ้าโยมจำสายปฏิจจาได้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นเหตุให้เกิดพบ เห็นไหมว่าผู้เจ้าอธิบายเนี่ยมันละเอียดมากเลยเข้าไปจับยึดและมีสิ่งนี้เนี่ยรัฐโยมจับสิ่งนี้ต่อเรียกว่าชาติเห็นไหมโอ้โหมันละเอียดมากอะเยอะ ม, มันนะเพราะฉะนั้นแค่จับยึดเนี่ยก็คืออุปทานและพอจับยึดเนี่ยก็คือมีสิ่งนี้มีอารมณ์ในความรู้ของจิตก็คือพบนะรู้ต่อไปคือชาติและจบด้วยชราหมอนนะ น้อมไปใหม่ตั้นหาจับมีพบไหลไปชาติจบชลามอนนะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานี่สังสารวัตวัตตาของจิตเป็นอย่างนี้แต่รูปกายเรายังไม่ตายมันเลยเป็นแค่ความผิดถ้ารูปกายเราตายพวเนี่ยตรงนั้นนะ่ะจะเป็นอัตภาพใหม่ของเราค่นะคำต่อไปที่ ท, ท, ที่ที่คนขั้นนี้ถามมานะคะคือว่าคำว่าพบกับชาติอาจารย์อธิบายาต่อไปเป็น โศกปริเทวะแล้วก็อุปายาศาสตร์ก็ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยแปรเลียงกันไปได้เลยนะเรียนถามว่าในครั้งพุทธการมีการกำหนดหรือปฏิบัติอย่างไรเป็นพิเศษหรือไม่สำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือคารวาดในวันพระเจ้าค่ะเออ <c oughs> พิเศษคือมีการมาประชุมฟังธรรมในส่วนของคารวะในส่วนของพระก็สวดปฏิโมกในวันเพ็ญสิบสี่หรือสิบห้าคำซึ่งเหตุเกิดมาจากพระเจ้าพิมพิสารไปเห็นปริพาชกทั้งหลายเขาประชุมกันในวันเพน็ญแล้วก็อยากให้ศาสนาเรามีบ้างก็เลยมาขอพูะเจ้า ว่าสามารถไหยที่จะบัญญัติการประชุมกันในวันเพ็ญเพราะเห็นเขาคุยธรรมะ ก, กันในป่าเนี่ยเป็นที่ลื่นเลงนะพุทเจ้าก็บอกสามารถก็เลยบัญญัติให้มีการประชุมกันนะให้พระมาประชุมกันวันนั้นมีพระมาประชุมกันมากคงเลยเรียกว่าเป็นวันพระนะแต่มาเพื่อมานั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าแล้วก็กล่าวธรรมะหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าว เมื่อมีการประชุมกันผู้เจ้าให้ทำกิจสองอย่างนะต่อมาผู้เจ้าก็คิดขึ้นเองว่าฉะนไหนปาติโมกที่เราศึกษาบทตัวเนี้ยนะที่เราบัญญัติแล้วเนี่ยจะนำมาสวดทบทวนกันในทุกกึ่งเดือนที่มาประชุมกันนั้นในวันพระเนี่ยก็จะมี8ข้าม15าข้ามหรือ14นะก็จะมีในบัญญัติอยู่ แต่จะให้เอาปฏิโบกมาสวดแค่ในช่วง14หรือ15คําส่วนใน8คนะกับ 14-15 คัมเนี่ยก็จะมีแนะนำที่แนะนำหนานะ้าให้รักษาอุโบสถในทุกๆกล่าวนะก็จะทำให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ไวขึ้นท่านนี้อยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีผิดอายตนะเลยคับผิดอายตนะ ก็อยู่กับลมหายใจนั่นแหละอญญายนะมันก็จะปิดไปเองถ้าเราไม่ใส่ใจถามมาว่าการเล่นโยคะเป็นการเจริญอาณาปณสติห ร, รืไม่คะก็ได้ถ้าเราเจริญอาณาปาแล้วเราก็เล่นโยคะนะ <S <S ถ้าเราเล่นโยคะแล้วเราก็พยายามรู้ตามการเคลื่อนไหวอิริยาบถ ไม่ให้จิตส่งออกไปจิตทรงออกปั๊บโยมก็ดึงกลับมาจิตส่งออกปั๊บโยมดึงกลับมานะก็เท่ากับมีการภาวนาไปด้วยในขณะนั้นแล้วก็อยากทราบว่าพระออกกําลังกายได้หรือไม่เจ้าไม่มีบัญญัติห้ามนะแต่ถ้าประเจิดประเจ้ดคงไม่งามเหมือนกันทนะ่านนิถามเพราะว่าคนที่กเกษียณคนที่กเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานอะไร ก็จะไม่มีสัมมาอาชีวะหรือเปล่าอืมไม่มีสัมมาชีวะไหมก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะอ่าเพราะว่าไม่ได้เบียดเบียนใครนะสัมมาชีวะก็คือคือหาเลี้ยงหาเลี้ยงชีพนะถ้าเราไม่ได้หาเลี้ยงชีพก็ตะกัดตรงเนี้ยหยุดไปหยุดไปแต่ไม่เบียดเบียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการหาเลี้ยงชีพปั๊บเนี่ย ก็จะต้องไม่เบียดเปลี่ยนอย่างนักบวชเนี่ยก็ยังมีอย่างกฎหมายบอกว่าคนไม่มีอาชีพแต่จริงๆเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งพระเจ้าเรียกว่าอาชีพขอทานน ะ, ะนักบวชในธรรมวินัยเนี่ยนะพระอาจารย์ครับท่านที่ถามอาจจะเข้าใจว่าสมาอาชีพอาชีวาเนี่ยคือต้องมีการลุกขึ้นมาทําอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นอาชีพบางครับในใ น, ใ น, ในมุมนั้นก็เกรงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมรรคแปดจะไม่ครบ อ๋ออก็หุงหาอาหารไม่ล่ะหรือทําอะไรหุงหาอาหารก็เป็นอาชีพและเลี้ยงคนในบ้านอย่างนี้หรือว่าย่อมอยู่ย่มอยู่เฉยๆเป็นอาชีพที่เฉยๆนะนะเพื่อแค่เป็นแค่เป็นปูชนียบุคคลในบ้านให้ทุกคนมีกําลังใจก็ได้ละ ในบุคคลนั้นก็ได้ใช่ที่ดาต่อท่านนี้ถามมาว่าถ้าเราถูกถูกคนโกงแล้วให้ทนายไปฟ้องจะเป็นการผูกพยาบาทกันหรือไม่เจ้าคะกลัวว่าจะทําให้เป็นการสร้างเหตุต่อในชาติหน้าเราควรจะให้อภัยเพื่อเป็นทานแล้วรอให้กรรมตามสนองเขาเองหรือไง<ะ>ได้ทั้งสองอย่างอนะถ้ายงทําก็ ก็ดูตามสมควรแล้วกันนะถ้ามันจะต้องยืดเยื้อหรือว่าจะต้องมีเหตุให้มีอันตรายอะไรก็หยุดไปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะได้ทั้งสองกรณีนะครับงนเหลือเวลาอีกสักสิบสิาทีนะครั บ, รบอาารย์พอยกมือยนะครับอันนี้แล้วกัน ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ที่ดีเอ็มจเลยเนาะไม่ค่อยคนยกงั้นที่แหม่มก่อนครับดี๋ยวท่านไหนตอบไหมครับจะได้ยกยกไว้ก่อนนะครับแล้วก็พี่พรวันนะครับแล้วเจอคุณกุศลมาครับตามนี้นะครับถามทีเดียวรวดเลยนะข้อเสียงที่ไม่เป็นอุปสรรคเนี่ยคือได้ยินแต่ว่า ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่โกรธไม่ไม่ลำคานข้าต่อเข้าต่อไปคือขั้นที่สองเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าว่าเราคิดเองหรือว่าเราได้ฌานนั้นแล้วคือสมมติเวลาเดินจงกรมแล้วเห็นใบไม้ตกเห็นอะไรเราคิดเองหรือเปล่าปรุงเองก็แบบอว่าเอาคํามาสอนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่กําลังได้ฌานแล้วหรือว่าหรือว่านี่คือเราคิดเองอันนี้แยกไม่ได้ฌานเนี่ยถ้าฌานหนึ่งก็คืออรุศลไม่มี วันนั้นโยมก็ดูความคิดตัวเองไม่ได้ไปคิดอะไรแต่ดูความคิดตัวเองว่าเราเนี่ยไปคิดเรื่องอกุศลไหมถ้าไม่คิดก็คือปฐมฌานแค่นั้นอากุศลมีลายคิดเรื่องการไม้พยาบาทไม้เบียดเบียนไม้ใช่ไหมการคือความยินดีในรูปเสียงกินรสแม้อย่าไปกินโอีชีจังนะอันนี้ก็ใช่ไหมยังไม่ได้ปฐมฌานละใช่ไหมพยาบาทเข้าไม้เบียดเบียนไครไม้อย่างเนี้ย ก็ต้องวางตรงนี้คือต้องวกกลับเข้ามาในเกณฑ์ที่พระศ า, ศาสดาบรรัญญัติให้สังเกตตรงนั้นนะส่วนคําพูดที่มาสอนมาสอนเราอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยนะ <c oughs> ถ้ามันเป็นกรอบของธรรมะเนี่ยก็จะเรียกว่ามันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชานะแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอตึกตามตรองตามมากเนี่ยมันก็จะฟุง้งจิตจะอ่อนล้ากายจะอ่อนเปลี่ยให้หยุดหยุด คิดหยุดปรุงแล้วก็มาทําสมาธิจะขึ้นขั้นสองได้เนี่ยไอ้พวกสอนสอนในในสมองเนี่ยต้องหยุดต้อง <ไป S 1> หยุดลงไปใช่ขออีกคำถามเดียวค่ะว่าลูประสัญญาเนี่ยขอคําอธิบายอีกทีคือถ้าจะถึงขั้นนี้เนี่ยต้องต้องไม่มีลูกคือไม่เจ็บไม่ปวดขาไม่ไอแล้วหรือเปล่าลูปสัญญามีสี่ขั้นเนี่ยเพราะนั้นการที่จะจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเนี่ย มันอยู่ในขั้นท้ายๆนะที่จิตมันจะเริ่มปล่อยจากรูไปนั้นโยมได้สมาธิในขั้นแรกๆเนี่ยยังเจ็บยังปวดอยู่อาจจะทนไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนพอ <c oughs> ลึกเข้าไป2อสรู้ว่าเจ็บแต่ก็เฉยๆ เ, เลยขึ้นไปอีกไม่ค่อยรู้แล้วว่าเจ็บเป็นยังไงเพราะแค่มือก็หายและเท้าก็หายแล้วยมจะไม่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บ แต่ก็รูปยังไม่ขาดถ้าจะหายสนิทก็คือขึ้นอากาสาซึ่งจะเหมือนกับที่ผู้เจ้าเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่ลงนา <c oughs> แล้วก็มีชาวนาถูกฟ้าผ่าตายชาวนาก็มาดูศพของชาวนาที่ตายมาเจอผู้เจ้าเดินจงกรมอยู่ข้างลงนาก็ <c oughs> ถามผู้เจ้าว่ า, มาเมื่อคืนได้ยินฟ้าผ่าชาวนาตายไหมบอกว่าไม่ได้ยิน ก็เลยถามผู้เจ้าว่าท่านหลับอยู่หรือผู้เจ้าบอกไม่ได้หลับท่านตื่นอยู่หรือตื่นเอาต้องตื่นแล้วทําไมไม่ได้ยินนะเพราะผู้เจ้าตื่นอยู่ในสมาธิเข้าสมาธิในขั้นที่วางรูปสัญญาได้แล้วอาจารย์คะความฝันคืออะไรคะความฝันก็จิตเคลื่อนไปในขันทั้งสามเนี่ยนะเหมือนกับเราคิดเนี่ย อันนี้เป็นหนึ่งในความฝันความฝันเนี่ยผู้เจ้า ก, ก็จะบอกอว่ามีอะไรได้บ้างนะแต่อย่างหนึ่งที่เราที่เราเห็นก็คือความฝันก็คือตัวความคิดนั่นเองขณะที่จิตไปเกาะนามธรรมาอีกสามตัวนั่นนะ่ะเวลาโยมตื่นมาปั๊บเนี่ยแล้วยมจับลมหายใจเลยนะโยมจะเห็นความฝันนี้มันตามมาด้วยนะซึ่งโยมจะรู้เลยโอ้มันเป็นความคิดเราตอนเรานอนนั่นเอง ที่เวลาเรานอนแล้วยังเรายัางคิดอยู่มันก็จะปรุงไปเป็นความฝั น, นี้นทําอย่างไรจะไม่ให้มีความฝันได้คะทําสมาธิมากๆฝันจะน้อยลงนะจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะ <c oughs> หลับไม่มากสักการค่ะขอาถามสองเรื่องค่ะเรื่องจ่ายกับเรื่องเงนินทีอ่า สภาวะของการทางการการเปลี่ยนจากทางชั้นหนึ่งไปอีกั้นหนึ่งนี้มันเกิดได้เร็วมากนะคะคือคือเกิดเร็วไหมหรือว่เป็นเกิดในในสภาวะหน้าที่หนึ่งจะเกิดแต่ถ้าไปนั่ง หรือไปปฏิบัติจิตที่นึงอาจจะไม่เกิด <c oughs> อ๋เอเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าบางทีสถานที่มีผลซึ่งถ้าจิตเรายังไม่ชำนาญไม่เข้มแข็งพอสถานที่จะเกิดผลซึ่งพูุ้ทธเจ้าเคยจัดกับพระหมหากัสปะว่ากรสปะเนี่ยเก่งในเรื่องฌานหรือปัญญาเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าซึ่งกรสปะสามารถเข้า สมาธิที่ใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้เวลาใดก็ได้นานเท่าใดก็ได้เหมือนพระตถาคตอย่างเนี้ยนั้นนั่นแสดงว่าเวลาสถานที่ความนานมีผลหมดนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องการละนานพี่นะครับถ้าผู้ที่มีอาชีพทางด้านผู้ที่เป็นเศิลปินพวกที่ย่างต้อง อยู่กับของสุนพลีแบบนี้เปอาชีพเขาเราเขอจะละ น, <c oughs> นันทีก็ให้ละนันทีในอกุศลก่อนนะให้เขาจเจริญสัมมาสังกปปะก็ได้คอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลานั้นโยมจะคิดเรื่องอัสสาธาของรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้แต่โยมได้ฝึกการละอกุศลตลอดเวลานี่ก็ได้ละโยมก็ยังทำอาชีพของโยมต่อไปได้ เพราะการเป็นดาราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปด่าใครว่าใครเบียดเบียนใครใช่ไหมความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่็ทิ้งแล้วก็ตั้งตนอยู่ในสินห้าเป็นดาราไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องขโมยไม่ต้องประพฤติผิดในกามไม่ต้องโกหกไม่ต้องดื่มสุราก็เป็นดาราได้อย่างเนี้ยใช่อหมเพราะฉะนั้นอะไรที่จับ่วยได้เนี่ยจับ่วยเข้ามาเป็นความดีใส่ตัวเองให้มาก น่าจะได้ยังชื่นชมในความงามอยู่อย่างเนี้ค่ะอาา่าะยังอืมมันต้องมีความงามงานมาถึงจะออกมาดีอะคับอาา่อาฮะอ่าก็ก็ได้นะนั้นก็ไม่ได้ขวางกัน้นการเป็นการบรรลุธรรมขั้นต้นๆไงใช่ัหมนั้นการบรรลุธรรมขั้นต้นๆเนี่ยโสดาบันสกาทาคามีก็ยังพอใจในรูปเสียงกินรสอยู่ แต่มีกรอบของความพอใจว่าความพอใจนั้นไม่ไปสร้างความเบียดเบียนให้กับผู้อื่นอย่างนี้ก็คือจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าเวลาเรานั่งสมาธิอย่างนี้ค่ะจำเป็นไหมที่เราจะต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในชานขั้นไหนอะค่ะอ๋อเออ จำเป็นถ้าอยากรู้ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่จาเป็นนะเพราะว่าพอสงบแล้วเนี่ยก็ให้เห็นการเกิดดับต่อไปอย่างน้อยให้ทราบให้ทราบาในขั้นต้นว่าอากุศลควรดับไปให้ให้รู้ตรงนี้ก็พอแล้วเลยไปก่อนนั้นไม่ไม่ต้องทราบก็ได้เกิดโยมไม่ไม่ได้สั่งสมสุตตะตอนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยโยมต้องมีสุตะระดับ ต่ำที่สุดก็คือต้องรู้ว่าอากุศลเราเนี่ยจะต้องหมดไปจากใจก่อนอย่างนี้แล้วก็เห็นการเกิดดับของกันทั้งห้าแล้วนะก็เหมือนกับคุณกุศมาค่ะ <c oughs> ก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปนั่งสมาธิแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นครั้งเดียวเลยที่แขนขามันหายอะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยงงแล้วตอนนั้นที่ได้อย่างนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกงงกับตัวเองแล้วก็เลยกระโดดลดเต้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีอีกสักครั้งหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยหนูควรจะทํำยังไงกับกับอาการอย่างนั้นนะคะอ๋อก็พระเจ้าก็เห็นให้เห็นการเกิดดับต่อไปนะอ่าเวลาอ่าสมาธิไปถึงขั้นใดแล้วก็ไม่ยินดียินลายก็เป็นผู้ดูเฉยๆพระเจ้าจะมีคําพูดว่าไม่สงสัยว่านี่อะไรนี่อย่างไร เวลาได้สมาธิหรือรู้เห็นอะไรแล้วเนี่ยไม่สงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรนะไปตื่นเต้นกับการรู้การเห็นซึ่งนั่นเป็นความกำหนัดในวิญญาณวิญญาณอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ต่อไปนะรู้เรื่องนี้มาเอ๊ะตามไปดูด น, นี่แสงมันเป็นยังไงมันสว่างขึ้นไหมมันอะไรอย่างเงี้ยมันอยากรู้ต่อทํายังไงจะไม่อยากรู้อะไรต่อไปอยากรู้แค่เนี้รู้ลมเข้าลมออกพอใจแค่เนี้ใช่ไหม ถ้าอยู่กับความว่างลมหมดแล้วก็พอใจกับความว่างตรงนี้แล้วเห็นการเกิดดับต่อไปนะอย่างเงี้ยก็จะเหมือนภาษาลิบุตรไม่ใส่ใจอะไรเลยได้สมาธิขั้นใดก็ตามนะก็มีสติเข้ามีสติออกแล้วก็เห็นว่าโอ้สมาธินี้ก็มีการเกิดและมีการดับเข้าไปอีกลึกเข้าไปลึกเข้าไปมุมของภาษาลบุตร ด, ดูแค่เนี้ยโอ้เกิดมาแล้วก็หมดไป เ, เข้าไปอีกเกิดมาแล้วก็ดับไปนะ ภาษาลิบุตรพิจารณาแต่ว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปปับป๊บปัปับไปเลยหลุดพ้นเลยเห็นนะจับมูมาลิาสัตซีอย่างเดียวไม่ใส่ใจอะไรเลยมันจะแปลกประหลาดพิสดารอะไรเกิดไหมดับไหมโอ้ก็แค่นั้นน่ะนะเนี่ยแล้ว เ, เวลาอย่างเวลาที่เรารู้อะค่ะว่าอริยสัตว์สี่ใอันนี้คือเรารู้หลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วหรือว่าเราพิจารณาตอนที่เรายังอยู่ เพราะมันก็คือการคิดว่าว่านี่เราไปมันเป็นอะไรอ่ะค่ะอันตอนนี้มันเกิดอยู่นะตอนนี้มันกําลังดับอยู่อะไรเงี้ยค่ะช่วงเนี้ยมันของผู้ปฏิบัติมันยังมันจะงงว่ามักจะคิดว่าเออเรากําลังเข้าไปคิดเพราะมันชอบคิดมันยังทิ้งความคิดไม่ได้มันก็เลยคิดว่าเราเห็นอริสสัตว์สเนี่ยมันต้องไปคิดว่าคิดว่าเกิดคิดว่าดับอ๋อนี่กําลังเกิดเนี้ยเนี่ยมันจะถูกสัญญาถูก การป้อนคําพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ทําไปอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชายมทําไปทําไปเรื่อยๆคิดว่าคิดเองก็ได้ไม่เป็นไรคิดเองแต่มันคิดในธรรมะก็เอาละนะก็คิดไปต่อไปความคิดนี้จะค่อยๆหมดไปยมอยู่เฉยๆก็จะเห็นมันดับไปเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันดับไปเห็นมันเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้คิดต่อไปก็จะเห็นตรงนี้เองนะอ่าไม่ไม่ต้องไปใช้ความคิดแต่เป็นผู้เฝ้าดู และเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเพราะเวลาโยมจะปล่อยวางความคิดโยมจะไปคิดซ้อนความคิดก็ปล่อยวางไม่ได้สักทีโยมก็ต้องนิ่งๆเฝ้าดูว่าความคิดเกิดมายังไงและจะดับไปยังไงนะโดยไม่ไปคิดซ้อนคิดนะเพราะความคิดก็เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางพอเรายังไม่ขยับมาสู่การปล่อยวางความคิดเราก็จะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะอันนี้มันคิดหรือมันไม่คิดได้ไหมอ่าเพราฉะนั้นอันดับแรก ที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นคือหยุดคิดอกุศลมาคิดเรื่องกุศลต่อไปหยุดคิดเรื่องกุศลปั๊บจะเริ่มเห็นความคิดและะ้วว่าอ๋อจริงๆความคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรก็ได้เราอยู่เฉยๆคอยดูความคิดมันเกิดแล้วก็ดับปับ๊บไม่ได้คิดอะไรแต่กําลังเห็นความคิดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับเห็น ไ, ไหมแล้วคือตอนนั้นที่หนูที่หนูไม่มีแขนไม่มีขาตอนนั้นนะคะทําไม ไมครั้งนั้นทําได้แล้วที่เหลือหลังจากนั้นคือไม่ไม่ไม่เคยเกิดอย่างนั้นเลยอะ่ะก็เราสร้างเหตุปัจจัยไม่พออะเพราะบางที <c oughs> พอเราอย่าปุ๊บจิตมันก็จะเคลื่อนปรุงแต่งทั้งที่ผู้เจ้าบอกว่าอย่าลืมลมหายใจน ะ, นะพอเรากังวลปุ๊บจิตเคลื่อนละเคลื่อนจากลมละทุกครั้งที่โยมกังวลหรือน้อมไปคิดว่าเอ๊ะวันนั้นทําได้ทําไมตอนนี้ทำไมจิตมันเคลื่อนตลอดอะวิจิกตรฉาความสงสัยลังเลเกิดมีตลอด นั้นโยมต้องหยุดปรุงแต่งทุกอย่างแล้วก็อยู่กับลมหายใจสร้างเหตุให้ถูกต้องแค่นั้นเองมันก็จะได้มาเองอเด็ก ต, ตรงกลางท<า>ี่มีมปัญหา ส, สักสองสามข้ อ, อ<า> ค, คือ อ, อยากทราบว่าวางอุบเบกขาเนี่ยค่ะวางยังไงคะคือเฉยเฉยไม่สนใจหรือ ย, ยังไงคะ ใช่คือให้อารมณ์อเราเนี่ยเฉยๆอย่างเราเห็นตาเห็นรูปอู้วันนี้สวยจังปับ๊บรีบวางความรู้สึกพอใจตรงนี้เลยอย่างเนี้ยอเห็นเสื้อผ้าสวยปุ๊บโยมลรงวางความพอใจปับ๊บความอยากจะไม่เกิดตามมาหรือเห็นอะไรไม่สวยหน้าขระยะแยงเราก็รีบวางความเฉยๆอพอโยมวางจิตเฉยๆเนี่ยโอ้มันจะต่างกันเยอะเลยนะอืม โยมสมมติว่าโยมไปจับขังคกและถ้าโยมรู้สึกอู้ยขยักขยแยงนะมันจะยิ่งรู้สึกแย่แต่ถ้าโยมวางความรู้สึกก็เฉยๆก็ไม่มีอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะเฉยๆน ะ, ะแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธิค่ะเราจะวางอุเบกขาอย่างไรในสมามสใจหรื อ, อยังไงคะก็คือผู้เจ้าบอกว่าอย่าเพลินต่อลดอร่อยของสมาธิ นัสมาธิในแต่ละข่้นเนี่ยมันมีอัศรธาลดอร่อยของมันนั้นถ้าเราเพลินอย่างโยมเมื่อสักครู่เนี่ยก็ออืแขนหายขามันสบายนัมันจะเบาสบายโยมพอใจละนะพอใจต่ออัศรธาลดอร่อยของสมาธิเวลานั่งสมาธิไปละเอียดเลยมันเบาอะโยมมันมันมีความสุขดีมันเบาสบายนะอ่าเริ่มเริ่มเพลินต่ออัศรธาละ อันนันเราก็ต้องวางตรงนี้เฉยๆกับมันเบาก็เบาสบายก็สบายแล้วเข้าไปเฝ้าดูให้ดีว่ามีอะไรเกิดอะไรดับไหมแต่ดูการเกิดดับนี่ดูยากมากค่ะมองไม่ทันไม่ทันมันไว uh huh. แล้วอารมณ์ทุกวันนี้เราอยู่วันๆ น, นี่ค่ะไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ สุขทุกไม่มีเลยหาวันๆก็อยู่ไปอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่รู้สึกเหนาไม่รู้สึกอะไร อ, อนี่เป็นอารมณ์อะไรคะอาจารย์ก็ดีเรียกว่าถ้าเราอยู่กับอุเบกขาได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็ส่งตรงนี้ไว้แล้วดูว่าอุเบกขาเนี่ยดับไปเมื่อไหร่เพราะจิตที่เกาะอุเบกขาอย่างไงก็ต้องดับแสดงว่าเรายังดูการเกิดดับของอุเบกขาไม่เห็นอ่าเพราะจิตเกิดแล้วต้องดับแน่นอนไม่มีไม่ดับ เพราะนั้นโยมก็อยู่เบกขาแล้วเฝ้าดูว่าอารมณ์เฉยๆมันดับไปเมื่อไหร่นะแล้วมันจะเกิดมาอีกเมื่อไหรนะ่เพราะมันต้องมีการเกิดดับแน่นอนเพียงแต่เราสังเกตไม่ทันนะขาและใจข้อนะคะการปฏิบัติรรมเนี่ยมีเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอาจารย์สอนนั่นงเองดูหนังสือแล้วก็นั่งเองออมาอยู่ข้างหนึง่งนั่งจนที่ว่า ไม่มีตัวตนนะค่ะแล้วก็มีความสุขอย่างมากแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ก็ดูดมนันอย่างนะะั้นนะอือแล้วก็มีความสุขมากที่ว่าไม่เคยเจอในชีวิตเลยอนั่นแหละก็ก็เอาอริสัตถ์เข้าไปจับเนะาะก็คือหนึ่งไ ม, ไม่เพลินต่ออสสาทะแล้วก็ให้เห็นการเกิดดับก็จะได้เป็นอะไรบุคคล แล้วก็ตามตามลมอย่างนงนะคะมีความสำคัญมากเลยเพราะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่าให้ตามลมตามทั้งวันเลยค่ะแต่ตามมาเป็นเดือนเลยตามไม่ได้มันหลุดเรื่อยหลุดตลอดอมีอยู่ครัง้งหนึ่งก็ตามลมจนจิตกับกายแยกะคะ่ะแล้วหลังจากน่้นจะทำยังไงต่อ เห็นการเกิดดับยมจำไว้2 อ, อันแค่นั้นจิตอยู่กับกายแล้วเห็นการเกิดดับสมาธิแต่ละขั้นขั้นใดก็ตามทุกระดับเลยถึง7ระดับแรกเห็นการเกิดดับทั้งสิ้นไม่มีผู้เจ้าบอกอย่างอื่นเลยน ะ, ะต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องจำไว้เลยว่าสมาธิจะได้ขั้นใดก็ตามเห็นการเกิดดับต่อไปนะแต่มองไม่เห็นเกิดดับนะคะต้องต้อง <laughs> เข้าดูให้ดีพระอาจาจะใช้คำว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่น แล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดียอมต้องเฝ้าดูให้ดีนั้นถ้าเราเพลินต่ออาสาธะเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเราต้องพยายามมีสติเฝ้าดูดีๆขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็คงสมควรสำหรับช่วงเช้าก่อนนะครับหรือว่ามีอีกสองคนต่อมอนิดหนึ่งไสองท่านคุณณัฏฐครับแล้วพี่เรียป้ายชื่อไหมครับเดี๋ยวช่วยติดด้วยนะครับพอดี เราจำเป็นต้องเข้าใจแจมแจ้งในเรื่องทฤษฎีไหมคะเช่นอริยสัจปฏิจจะอย่างเงี้ยถึงจะมีความก้าวหน้าในสมาธิได้ต้องเข้าใจแจมแจ้งในทฤษฎีไหมใช่ไหมถึงจะก้าวหน้าผู้เจ้าบอกว่ามันจะเป็นเครื่องช่วยนะการที่เราสั่งสมสุตตะมากเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเราจะเปรียบเหมือนมีอาวุธไว้มากในการปราบปารหกิเลสปราบปานหฆ่าศึกแล้ว การสั่งสมสุตตานี่ยเป็นธรรมะเกื้อกูลต่อผู้เจริญอานาปานาสติ <c oughs> นะเพราะอานาปาเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยแล้วรู้ไปทําอะไรหลายคนเมื่อคืนค่าวันเสาร์ก็บอกนั่งรู้ลมอย่างเดียวมันจะโง่หรือเปล่ามันจะคิดไปเพราะมันไม่มีอะไรมันแค่รู้ลมแล้วยังไงอะ่ะมันจะแตกลูปธรรมะเอาไปยังไงนั่นคือต้องสั่งสมสุตตานุ้ยเจ้าจึงบอกว่าธรรมะเป็นอุปการะต่ออนาปาเนี่ยก็คือ อย่าคุยมากอย่านอนมากเห็นนะเรามาปิดวาจาอะไรเนี่ยมันก็เกื้อกูลไงใช่ไหมไม่คุยมากไม่นอนมากไม่มีการงานมากนะ ه, แล้วก็สั่งสมสุตตะนะจะทําให้มันแตกฉานแล้วทาให้เรามีแง่มุมในการพิจารณาได้ไม่งั้นมันก็จะมองรถทำยังไงอ่ะมันก็แค่รู้หลมแล้วมันจะเกิดนิพพานได้ไงใช่ไหม ขอกลร์เรียนถามว่ามีวันหนึ่งที่โยมได้อ่านหนังสือของพระจันชาแล้วก็อ่านแล้วท่านบอกจิตท่านระเบิด3ามครั้ง uh huh. แล้วยโยมก็เลยไปนั่งบ้างก็ตั้งจิตปรารถนาว่าอยากจะให้ระเบิดแบบท่านน่ะนะคะ uh huh. แล้วสุดท้ายพอไปนั่งจิตมันรวมวูบแล้วมันก็ระเบิด uh huh. อย่างที่ท่านที่ uh huh. ท, ท, ที่ท่านว่าเนะะี uh ่ยค่ะแต่ทนนี้อยากจะเรียนถามว่า จิตที่รวมแล้วระเบิดเนี่ยมันอยู่ในลักษณะฌานอยู่ในลักษณะอุลุปัสัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สาหรือขั้นที่4อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัววัดเลยเพราะว่าไม่มีในบัญญัติผู้เจ้าตรงนี้จะมีเยอะนะลูกศิษย์ท่านหลายคนก็บอกว่าต้องนั่งให้กายระเบิดต้องนั่งให้จิตระเบิดอย่างนี้นะซึ่งหลวงว่รชาเองก็ไม่ได้สนใจกับ สิ่งนี้นะแต่ลูกศิษย์ก็พยายามไปนั่งให้มันระเบิดเองนะนั้นแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติเรื่องนั่งให้จิตระเบิดกายระเบิดใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นเราก็วางคําสาวกเหล่านั้นไปเพราะตัวท่านเองท่านก็บอกไม่ได้สนใจท่านก็ดูไปเฉยๆนะแต่เราเองไปขวนขวายที่จะทําตรงนั้นและในเมื่ อ, เ, อเรามาดูที่พระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติตรงนี้ไว้นะก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรใช่ไหมปล่อยวางไป นั้นอาการของนิมิต ต, ต่างๆที่จะเกิดจากการทําสมาธิมันมีจีปาถะเหมือนหลวงวาชิราไปถามอาจารย์วังว่าเฮ้สมาธิเนี่ยผมมันตันมันได้อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์วางโอ๊ยอย่าไปสนใจเลยสมาธิมันเป็นไปได้จีปาถาสารพัดนะผมเนี่ยจมลงไปในดินทะลุขึ้นไปบนฟ้ากายแตกระเบิดอะไรอย่าไปใส่ใจนะครูบาอาจารย์ที่รู้ที่เป็นก็บอกอย่าไปใส่ใจไอเราก็ไปตามให้มันเป็นอย่างนั้นเห็นนะนี่มันเป็นอย่างนี้ ซึ่งผู้เจ้าก็ไม่ใส่ใจและไม่เคยบัญญัติเอาไว้ใช่ไหมก็โยนทิ้งไปแค่นั้นเองนะอะไรจะเกิดก็รับรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไปอย่างนี้ยมอ่อนหรือใครจะถามไม่มีใช่ไหมครับฮะพี่อ๋อเป็นน้ อ, อ, งองสอบคุณพิดสดาข้างหน้าเรับอยวารอไม่ทันอ่ะสุดท้ายสุดท้ายถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีว่า เ, เรื่องอายตนะหกเนี่ยนะคะออพอดีอจําพระสูตรว่ามีเต่ากับเต่ากับหมตาป่าะคะ่ะจอมก็เลยใช้วิธีนี้เวลาเจอเจ อ, เจอว่าเราจะต้องปิดอุ้ยเราจะส่งจิตออกไปเราก็ึะถึงเต่าตัวนี้ขึ้นมาทันทีงนี้นะคะ่ะอาจารย์แสดงว่าเราลืมลมไปแล้วไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เนาะพระสูตรนี้ก็ดีก็ให้กําลังให้โยมคํานวณชานันโทเนี่ยเขาวาดภาพนี้จิตรกรเนี่ยนะ ให้เขาวาดภาพตรงนี้ด้วยนะให้สื่อว่าพอเราเห็นเต่าหดหัวแขนขาเนี่ยกระสุนนักจิ้งจอกเนี่ยเราจะนึกถึงการสํารวมอินทรีย์ทันทีซึ่งพระเจ้าจะสอนให้ภิกษุเนี่ยสํารวมอินทรีย์สํารวมใจนะเข้าไว้ในอารมณ์ของการภาวนาเหมือนเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดองมารคือสุนัขจิ้งจอกจะทําอันตรายเธอไม่ได้ความตายจะทําอันตรายเธอไม่ได้แต่ว่าเราก็จะลืมลมไปเลยหรือเปล่าอาจารย์หรือว่า อ๋อข<ณ>นาดที่เราที่เราอยู่กับลมนั่นแหละคือเราสัมรวมแล้วไงก็คือกายัคตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเป็นที่อยู่ของจิตที่บอกว่ากลับเข้ามาสู่พบของตนก็คือเนี่ยกายัคตาสติครับสุ่งเช้านี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ วันสักการพระอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามครับก็รวบรวมมาจากที่ที่คงคางไม่เยอะมากครับอาจารย์จะเคลียร์ที่เป็นกระดาษก่อนได้อาจจะเป็นเยอะนิดหนึ่งขอจะถามคําถามที่คงคางที่เป็นกระดาษที่เขียนมาก่อนนะครับของชัยชนาไม่นานคําถามแรกครับมีเพื่อนท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเคยได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าองเล็บว่าเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นที่ไม่ใช่พระสมณโคดมจากที่มีพระทีนับถือพาไปให้เห็นโดยวิธีการนั่งสมาธิแล้วนําจิตไปพบพระพุทธเจ้าได้เรื่องที่ได้ยินมานี้ถือว่าเพื่อนไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่หรือไม่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปริญญาผานไม่มีใครสามารถพบเห็นพระองค์ได้อีกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเป็นความเข้าใจถูกต้ อ, องหมครัก็ ต้องมีการยืนยันโดยพุทธศัสนานะว่าที่ว่าเห็นพระองค์ได้หรือเห็นไม่ได้เนี่ยมีผู้เจ้าตัดไว้หรือเปล่าก็มีบอกอยู่ผู้เจา้าตัดว่าหลังพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกเลยนะก็มีเป็นพุทธศาสนะตัดไว้อยู่และถ้าถ้าโยมถามเ้าว่าที่เขาเห็นน่ะเป็นยังไงนะให้เขาบรรยายมาซิ ถ้าเขาบรรยายในลักษณะของความมีมิติก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะว่าสภาวะของนิพพานเนี่ยพระเจ้าบอกไม่มีดินน้ําไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีนั้นมิติไม่มีความงามความไม่งามไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะบรรยายอะไรออกมาปั๊บถ้าบรรยายได้เนี่ยคือไม่ใช่เพราะนิพพานเนี่ยบรรยายไม่ได้ แล้วก็สภาวะของนิพพานก็พงเขาก็บอกไม่ใช่ที่เที่ยวของปุ้โดยชนไม่ใช่จะพาคนนั้นตัวนี้ไปเที่ยวกันเล่นได้ครับ <c oughs> กลางนวัสการครับ <c oughs> มีผู้หญิงท่านหนึ่ง <c oughs> ที่ปฏิบัติธรรมได้พบปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่นเมื่อนั่งภาวนาก็เห็นสายบางๆจากจากตนไปเข้าท้องหลานเมื่อถามพระอาจารย์มั่นท่านสั่งให้ตัดสายใยนั้น หลานสาวที Na, ่ท er ้องอยู่ก็แทนแสดงว่าวิญญาณไปจองท้องหลานตั้งแต่ตั้งแต่ยายแก่ยายยายแก่นั้นยังไม่ตายใช่ไหมขอพระอาจารย์ตุนาอธิบายสภาวะนี้ด้วยครับเรื่องเรื่องนี้พระอาจารย์ไม่ทราว่าเคยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินมานานมากแล้วมันไม่ไม่มีอะไรคือไม่มีใครไปตัดไป ไปแทรกแซงระบบของกรรมได้อีกเยอะถ้าใครไปทําอะไรได้ก็แสดงว่าคนคนนั้นมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงกรรมนะกรรมเป็นการกระทําทีเา่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนะซึ่งพระุทธเจ้าบอกไม่ใช่ว่าผู้อื่นบันดาลไม่ใช่ตนเองบันดาลไม่ใช่ทั้งตนเองและผู้อื่ น, น, น, ไ, มนไม่ใช่เกิดขึ้นมาและเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุผิดหมดนั้นกรรมเกิดจากภาษาดับก็ดับเพราะภาษาดับและไม่มีใครเป็นคนโดนบันดาล กรรมหรือสุข ท, ทุกข์ให้เกิดขึ้นะทั้งผู้อื่นทั้งตัวเราเองก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยนะก็ไม่มีใครที่จะทําอะไรตรงนี้นะพระพุทธเจ้าได้ทรงกลับเกี่ยวกับเรื่องความก <c oughs> ตัญยูต่อบุาพก า, ารีต่อผู้สูงอายุทั้งที่ไม่ใช่ญาติและก็ที่เป็นญาติไว้บ้างหรือเปล่าครับก็แสดงเรื่องความกตัญยูเป็นเรื่องสําคัญ บุคคลผู้กระตันยูเนี่ยหาได้ยากในโลกจะเป็นหนึ่งในลัตนะหที่หาได้ยากในโลกนะแล้วก็อยู่ในพระสูตรที่บอกว่าบุคคลสามจําพกหาได้ยากในโลก 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะ 2. ผู้ประกาศคำตถาคตอย่างที่สก็คือผู้มีความกระตันยูกระตาเวทีนะดูเหมือนจะไม่ยาก แต่ถ้าเราดูไปจริงๆแล้วเนี่ยคนกระตันยูจริงๆก็มียากเหมือนกันาหาได้ยากเหมือนกันคำว่าไม่มีตัวเราการการที่เราคิดดีคิดไม่ดีก็ไม่ใช่ตัวเราที่คิดเป็นเพราะว่าจิตไปจับเอาเอาวิชชาอย่างนี้เวลาคิดไม่ดีก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าไม่ใช่เราอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ อ, อยที่ว่า เราไม่รู้สึกผิดแต่เราทําตามนั้นหรือเปล่าถ้าเราทํานั้นแสดงว่าเรามีอุปทานนะนั้นถ้า <c oughs> เราไม่รู้สึกผิดก็ใช่เพราะคิดอย่างนี้แต่มันอยู่ที่เราตกลงแล้วเราทําตามนั้นไหมถ้าเราทําตามแสดงว่ า, าเรายังมีอุปทานเรายังมีความเป็นตัวตนมันก็คิดไปเองอนั้นมันอยู่ที่ว่ า, าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราปล่อยไหม ถ้าทุกความคิดเราสามารถทําได้เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเดียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วไม่ทําก็ถือว่าสุดยอดนะดีที่สุดคําถามจิตอธิษฐานการงานจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่6ใช่หรือไม่ครับใช่แล้วอีกห้าฐานข้างต้นคืออะไรครับห้าฐานข้างต้นก็จะมีเรื่องของการเข้าชานหนึ่งสองสามนะ อารมณ์สัญญาอาสุภะภายในอสุภะภายนอกนะแล้วก็การเข้าชันที่4นะี่หอย่างแล้วก็คูเจ้าให้ประนนจําไว้อีกอันก็คืออนุสติฐานที่6สติอริฐานการงานครับผมท่านนี้ก็ถามเรื่องของความโกรธพระอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วเมื่อเช้ า, เ, าเมื่อเช้าเป็นตัวอย่างเรื่องของที่ลูกไปยั่วแม่ในเรื่องให้โกรธนะครับอันนี้ท่านก็ ว่าโกรธโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถนะครับที่ว่าปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็ก็พยายามกลับมาที่ลมหายใจแต่ว่าก็ปาดคืนไปแล้วอนี้ครับเพราจะจิตก็จะทํำยังไงดีก็อนาปาณาสีก็ทําไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วแล้วมันจะหายได้เลยนะมันมันไม่หายง่ายนะอืมมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเตือนต่อว่าะคราวหน้าก็ จะพยายามให้ทันให้เร็วกว่า น, นี้อย่างเงี้ยครับรถถก็ทำเรื่อยๆนะครับก็ ใ, ให้เร็วให้ไหวกว่า น, นี้สั้นลงครับใช่ข้าพเจ้ามา ป, ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความทุกข์แต่ว่ามีความอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุดจึงมาศึกษาธรรมะเพื่อที่จะลดละกิเลสตัณหาก็รู้สึกว่าสงบขึ้นบ้างต้องการที่จะซื้อคอนโดหรูริมแม่น้ําเจ้าพยาแต่ความอยากก็ลดลงจะเหมือนจะปฏิบัติถูก หรือไม่ที่เวลาปฏิบัติอยู่ในสมาธิไม่ว่าจะนั่งหรือเดินจงกรมก็จะพยายามหาเหตุผลมาลบล้างความอยากนั้นก็เลยทําให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ค่อยได้รวมทั้งต้องการที่จะลดอัตราในตัวเองด้วยจะจะทํำยังไงดีก็ น, นี้แหละความอยากในภาวะตัณหาเนี่ยมันดึงเราไปไงเพราะนั้นความที่เราอยากที่จะอยู่กับลมเนี่ยมันจึงเกิดไม่ได้ ทำไมเราไม่รู้สึกพอใจว่าโอ้ฉันอยู่กับลมเนี่ยฉันมีความสุขมากเลยแหมีความพอใจที่อยู่กับลมแต่เรามีความพอใจที่จะไปเพลินกับอารมณ์เราจะเพลินกับความคิดพอเราทิ้งความคิดเราจะรู้สึกว่าแหมมันฝืนมันติดตัดขับคล้องใจแต่ถ้าโยมสร้างความเคยชินกับการอยู่กับลมจนเป็นปกติแล้วเนี่ยโยมไม่อยากจะไปคิดด้วยซ้ําคิดจะไปคิดนี่ก็เบื่อและโอ้คิดเดี๋ยวมันก็ดับคิดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยน คิดไปแล้วมันก็ไม่ได้อย่างคิดนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่างนู้นอย่างนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยเยวก็จะไม่อยากคิดเพราะเห็นความไม่เที่ยงของมันนะเราก็ต้องเห็นบ่อยๆไนงะนี้ถ้าเรายังเห็นบ่อยไม่พอมันก็ยังอยากไปคิดอ่านะอย่างเนี้ยนั่นก็ต้องพยายามก็ฝึกเรื่อยๆฝึกฝึกอย่างเดิมนี่แหละดึงกลับมาลงหมายใจดึงกลับมากลับมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเอง ความไม่เที่ยงความอยาด้วยการอยู่<ช>ลมหายใจเปนี้ใช่ใช่ต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ครับคำถามท่า น, นี้ก็ <c oughs> เป็นคาําอธิบาย <c oughs> ยาวนะครับก่อนที่จะถามก็เป็นเป็นพื้นฐานที่จะ <c oughs> ให้พระจ่าทราบว่าที่มาที่ไปอย่างไร น, นะครับข้าพเจ้านําเรือเลี่ยมจุนหรือเรือเรือข้าบโบราณอายุเป็นร้อยปีมาดัดแปลงเป็นห้องพักที่รีสอร์ทคนงานและแม่บ้านก็อยากให้ตั้งศาลเจ้าพี่ เพื่อจัดเครื่องถวายบูชาทุกวันเพราะว่าหลายคนเห็นอาแปะแก่ๆใส่ชุดจีนส่วนเรือที่เหลือก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยลูกค้าทัวร์ครุ๊ปหนึ่งบอกว่านอนตอนกลางคืนก็มีใครมาดึงเท้าแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยส่วนคนขับรถที่ขับรถประจําตัวก็เห็นด้วยแต่แล้วก็แถมมาเคาะประตูถามด้วยว่าเป็นใครมาทําอะไรที่นี่ ข้าพเจ้ารับฟังแล้วก็กุ้งใจไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่จนล่าสุดก็ฝันว่าถูกกดให้จมอยู่ในน้ําใต้ท้องเรือของตัวเองตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกที่บ้านกรุงเทพสรุปว่าก็เลยต้อง ท, ทําพิธีตั้งศาลแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาไปเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าข้าพเจ้าจะถูกเอาชีวิตช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปต้องดูผ่านกล้องวงจรปิดที่กรุงเทพ แต่ก็ยังต้องมาซื้อของถวายและกราบไหว้ด้วยตัวเองเท่านั้นทั้งที่อยู่กรุงเทพถามว่าจำเป็นด้วยหรือที่ต้องทำอย่างนี้มนถึงที่ตั้งสานี้นะครับข้าพเจ้าผิดหรือเปล่าที่ไปซื้อของซื้อเรือที่เจ้าของตายไปแล้วแล้วเขาไม่อนุญาตให้หรืออย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วก็จะบาปบะมากไหมข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ล่าสุด แม่ครัวก็จะให้นิมนต์พระมาสวดเพื่อทำบุญถวายเพนวงเล็บเพราะว่าคนงานไปตัดกิ่งมะม่วงกว่าร้อยปีซึ่งเป็นต้นช่วงเดียวกับที่ข้าพเจ้าลงป่วยพอดีข้าพเจ้าก็เลยโดนด่วนว่าเจ้าที่แรงคนโบ ร, ราณเคาถือทำอะไรไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนก็ขอพระอาจารย์แนะนำด้วยแล้วก็อีกคาถามหนึ่งคือว่าเวลาไหว้เจ้าที่เนี่ยต้องจุดทูบหรือไม่เพราะว่าสํารับควันทูบ คำถามคือจําเป็นหรือไม่ที่ตั้งศาลเจ้าที่นี้แล้วก็ท่านผู้นี้รู้สึกบาปหรือเปล่าที่ไปซื้อเรือมาแล้วเจ้าของเกาไม่อนุญาตนะครับแล้วก็เวลากราบไหว้เนี่ยต้องใช้ทูกนะครับไม่จําเป็นอะไรสักอย่างบาปไหมทีซ่ซื้อก็ไม่เกี่ยวกับบาปอะไรแล้วก็อย่างนี้ต้องให้ไปคุยกับแม่น้ําวุ่นนะฮะ น้องน้ำวุ้นเจ็ดขวดท่องทุนะ้ทวจรณะคล่องแคล่วแม่เขาก็ศรัทธาในพุ้ทวจนะก็ชวนลูกมาเหตุนี้ลูกก็คล่องทสูุเพื่อนของลูกก็คล่องแม่น้ําบุญก็ลือสารออกสารพระภูมินะที่บ้านก็มีเหตุลดความคอเคล็ดไอโนดไอหนี่เจ้าบ้านก็เนียนโดนแล้วนี่เห็นไหมแม่น้ำวุ้นตายเป็นตาย ยังไงก็ไม่ทําหำมันรู้ไปโอ้ก็ไม่มีปัญหานะอืเขาก็ไม่สนใจเขาบอกเขาเชื่อพระเจ้านะาต้องวัดบา ร, รมีกันอย่างนี้ก็มีเหตุโน้นเหตุนี้เยอะแยะขนาดเหตุเกิดจากตัวเขาเขาค อ, คอคต้องไปผ่าคอเขาแบบเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละลบลูอะไรตาอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่สนใจนะ เราศรัทธาพระเจ้านะแล้วก็นั่งสมาธิภอนานก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก็ปกติกันดีนะโอ้ต่อสู้กันน่าดูญาติปูใยญ่ก็มาบีคันนะทนะี่บ้านต้องให้ข้าเล่าให้ฟังนะเราไปคุยกับเขายังตร ง, งานของอโยมเสกสันทร ง, งานต่อรถบาสก็งัดสรรพัดภูมิทิ้งตั้งนะเป็น <c oughs> อะ ห้องสำหรับที่นั่งสมาธิให้คนงานนี่อานหนังสือรรผู้ทวชนาไปตั้งกลบสารจะเลยหมดเรื่องก็ <c oughs> งไม่เห็นเป็นอะไรนะอ่มันชอบดีคำว่าไม่เชื่ อ, อยะหลบหลูทำไมคนหวั่นไหวสะดุ้งหวาดเสียวนะนั้นย่ยมมีคนที่เก่งที่สุดอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้อง ไปกลัวอะไรเลเทวดาพรหมก็มากราบไหว้ผู้เจ้าหมดนะสิ่งที่โยม <c oughs> จะกระทําก็คือทํารักษาศีลเราทำสมาธินั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาไปนะแต่เมตตาทิฏฐบุญกุศลไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหะหน้าที่เราก็ทาแค่นั้นนะอะไรจะเกิดก็อยู่ที่กรรมนะ <c oughs> ไม่งั้นโยมก็จะกลัวไปทั้งชีวิตนั่นแหละ เมันไม่วัดใจกันสักทีนะ อ, อันมาแต่ก่อนเนี่ยขับรถผ่านอะไรแถวแยกไปเพชรบูรณ์นะตรงลบบุรีนะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกฝ้าสามสีสารเพียงตาเต็มไปหมดเลยรถผ่านทางนั้นก็ต้องบีบแต่ปีนปีนปีนเราก็บีบมาเพราะปฏิบัติทำมาเราก็ไม่บีบให้เพื่อนงางงางให้บีบหน่อยบีบหน่อยมันก็กลัวกันหมดอะ่ะใช่ไหม ตอนหลังเราก็ไม่หวีผ่านมาเป็นร้อยครั้งก็ไม่เนเป็นไรนะอือมันก็ต้องต้องแข็งนะครับต้องเข้มแข็งนะมันต้องค่อยๆด้วยดูแลดูความรู้สึกของคนรอบข้างแต่ว่าอยาง้ยก็ต้อถ้าเราถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยเราก็ทําได้เลยสบายๆอันนี้ถ้าอย่างมีคนงานคนอะไรเนี่ยยอมก็ตั้งอะไรไม่เข้าได้ไม่เป็นไรนะก็เอื้อเฟื้อ จิตใจของคนงานเขานะเผื่อเยังไม่เข้มแข็งนะเพราะว่าจิตของคนที่ยังพึ่งลุกขจายดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะต้นไม้แม่น้ำำานําลําทารอะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าเป็นสมาธิขีเบื้องต้นไงเป็นคนดีเบื้องต้นเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะมีคนมาถามพระเจ้าเนี่ยคนพวกนี้ไม่ดีปูชาไฟอะไรต่อะไรพระเจ้าบอกไม่ใช่ดีไม่ดีวัดกันที่กุศลกรรมบุตรศิ์กับอกุศลกรรมบุตริษ นะเพราะนั้นค น, คนที่ยังสแสวงหาที่พึ่งเนี่ยชื่อว่ า, าเป็นคนที่มีสมาธิเบื้องต้นเขาเป็นคนดีเบื้องต้นจิตของเขาจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โล ก, โลกหน้ามีนะ <c oughs> คนพวกนี้เนี่ยจะไปสูุติโลกสวรรค์มากกว่านะนั่นก็เกื้อเฟือกับบุคคลนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยอย่าวันไหวแล้วกันนะเพราะเราจะได้เข้าสู่ภูมิธรรมโสดาบันเนี่ย ก็คําทำๆยังอยู่ในเรื่องอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งย ม, มาบาลย ม, มทูตมัจุราชพญายมพระแม่คงคาแม่ธรณีอย่างนี้แล้วก็เขาจะตุวโลกบาลทั้งสี่มีจริงหรือไม่นั่นคือใครครับก็ <c oughs> ต้องแยกเป็นนั้นนั่นนะก็ะ น, นี้ครับ <c oughs> นะย ม, มาบาลย ม, มทูตมัจุราชพญายมพระแม่คงคาแม่ธรณีแล้วก็จะตรวโรคประบาลไม่มี ก็แม่ธรณีก็ไม่เคยเจอนะเท้าจาตุโลกบาล น, นี่คืออะไรเนาะไม่แน่ใจเาจาตุโลกบาลทั้งสี่ผมก็ไม่มไม่ไม่มั่นใจในข้อมูล <c oughs> ต้องต้องลอง <c oughs> สแกนหาดูอ่ะแต่ไม่ไม่ไม่เคยได้ยินอั น, นี้ <c oughs> แต่การที่พู้เจ้าบัญญายเรื่องนรกเรื่องอะไรเนี่ยมีน ะ, ะแล้วเหตุปัจจัยในการเกิด ในภพนั้นๆ น, น, นี้ก็มีบอกเหตปัจจัยเอาไว้กนะ็มีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคือคล้ายๆก็มีระบบชีวิตเนี่ยหลากหลายหลากหลายระบบชีวิตแต่ระบบชีวิตทั้งหมดเนี่ยเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายหมดไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นนรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตพิสัยอะไรต่ออะไรเนี่ยแก่เจ็บตายหมดนะแล้วก็มีบอกกรรมที่จะทําที่จะนําพาเราไปสู่ภพนั้นๆั้ น, นอบอกนรก พวกเปรตอสุรกายก็ไม่ได้ให้เราไปกลัวแต่ให้เรารู้ว่าต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเนี่ยมันเป็นองค์เรียกว่ามันเป็นการจองจําที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายนอีองค์เลยไม่อยากให้เราเนี่ยเข้าไปสู่นรกภาในเดชะในเพลทพิเัษแล้วที่ฟังมาว่าโยมาบาลจะพิจารณาปรับแก้ไขส่งคนตายไปในที่ที่ควรจะไปเกิดตามกรรมดีธรรมชั่ว อ, อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ เมีพสูตรเหล่านี้เหมือนกันแต่พสูตรเหล่านี้ต้องต้องพิจารณาดูอีกทีว่าดูความสอดรับกันของคําซึ่งท่านผู้ท่าจะไม่ไม่พยายามเอาพสูตรเหล่านี้เข้ามานะมันมันจะมีทั้งแต่งมีทั้งของจริงซึ่งมันจะต้องมาตรวจกันอีกว่าอันไหนแต่งอันไหนจริงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นถามเรื่องของจิตสุดท้ายนะครับ ถ้าทำบุญด้วยทรัพย์สินอันบริสุทธิ์ตามจิตที่ตั้งมั่นแต่ถ้ากาลังจะตายกลับเปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีก็จะตกอบายภูมิตามที่ผู้ตายนั้นกําลังคิดในขณะนั้นแล้วก็ต้องตกอยู่ในภพที่ไปเกิดจนกว่าจะตายอีกแต่ในทางกลับกันถ้าทำแต่สิ่งที่ไม่ดีจะตอนตายกับคิดดีก็เลยได้ภพที่ดีหรือคนที่ทำไม่ดีเช่นขโมยจี้ปล้นฆ่าข้าวของคนอื่น ขนาดที่กําลังจะตายเกิดจิตว่างพร้อมกับหมดลมหายใจก็ไม่ต้องเวียนไหวใเกิดอีกใช่ไหมครับถ้าตอนสุดท้ายยังไงนะตอนสุดท้ายคือคนที่ทําไม่ดีเช่นเป็นคนไม่ดีแต่ว่ากําลังจะตายก็เกิดจิตว่างขึ้นมาพร้อมกับหมดลมหายใจก็ถือว่าไม่ต้องเวียน่าตายเกิดอีกอืมก็ต้องถามว่าว่างว่างแค่ไหนยังไงวราถ้า ถ้าจะถึงกับไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือต้องรู้อริสสัตว์ซึ่งคนที่จะไม่รู้อริสสัตว์แล้วบอกว่าจะพ้นทุกข์เป็นนิพพานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นทางนั้นที่เป็นไปไม่ได้นะจะเปรียบเหมือนเอาไม้สดมาสีกันแล้วอยากจะได้ไฟเนี่ยมันทําไม่ได้นั้นก็จิตว่างก็คงจะได้แค่ไปสวรรค์หรือไปในในเทวโลกในเป็นเทวดาหรือเป็นชั้นปรอมเป็นเนี้ยแต่คงจะหลุดพ้นยังไม่ได้ ตรงนีคำถามก็ไม่ชัดเจนนะคะรับเป็นพวังแบบเป็ยนเยอะเสีีเห็นเกิดจากแก็ใช่ก็สามารถหลุดพ้นได้ใช่คำถามว่าถ้าสูตรที่พระอาจารย์บอกว่าหาพบในเรื่องบุคคลที่หาได้ยาก3ประเภทนั้นไม่ทราบว่าตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากรัตนะ5ใช่หรือไม่ใช่ข้อที่หนึ่ง คือการมีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่สองการมีผู้ประกาศธรรมประถาคตข้อที่สามการปฏิบัติธรรมตามธรรมของพระศ า, าสดาข้อที่สี่การมีผู้รู้แจ้งในคำของพระปถาคตข้อที่ห้าการมีความกตัญญูกตเวทิตาคาถามครับถ้ามีการยืนยันตรงกันของสองพระสูตรนี้ก็แสดงว่าในข้อที่หนึ่งคือการมีสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อที่4การมีผู้รู้แจ้งในคําของพระตถาคตและข้อที่5การมีความประทันอยู่ปตะเวทิตานั้นสําคัญมากๆใช่ไหมครับเ่าซ้าาำกันแบบซ้ำซ้ำกัน<ำ>ไม่ไม่ไม่ใช่ผู้รู้แจ้งในคําตถาคตแต่เป็นผู้ประกาศในคำประกาศคําตถาคตอาบอกสอนอมันจะมีมีบอกสอนคาตถาคตเลยครับปฏิบัติสมควรแก่ทำในคำตถาคตแล้วก็รู้แจ้งอ๋ออันนี้ที่3 ตัวที่ซ้ำเนี่ยคือคนที่ประกาศธรศมรมสถานใชตน่ตัวเนี้ยตัวซ้ากับกตัญยูกับ ต, ตถาคตคำถามต่อไปนะครับโดยเฉพาะในข้อที่4ที่ว่าการมีผู้รู้แจ้งในคำของพระตถาคตนั้นในปัจจุบันก็พิสูจน์ได้แล้วตามความเป็นจริงว่ามีอยู่เพียงรูปเดียวก็นับว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากของพวกเราที่ได้พบอาจารย์ เพราะว่าอย่างข้อที่สองคือการมีผู้ประกาศทำตถาคตและข้อที่3การปฏิบัติธรรมตามธรรมของพระตะถาคตนั้นก็ยังมีถูกบ้างผิดบ้างปะปนกันไม่ทราบว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ประกาศทำตถาคตประพฤติตามธรรมตถาคตเนี่ก็ <c oughs> ก็ถ้าเป็นธรรมตถาคตจริงก็ก็คงจะจะเดิน <c oughs> เดินได้ถูกแต่ อาจจะยังยังรอการบรรลุธรรมไงนะนะรอการบรรลุธรรมแล้วสมมติว่ า, าแค่ประกาศคำตถาคตหรือแค่ทรงจำได้นี่ก็มีประโยชน์หมดนะเพราะขณะที่ประกาศคำตถาคตเนี่ยผู้เจ้าบอกประกาศกับภิกษุขณะนั้นเนี่ยถ้าเขายังไม่บรรลุธรรมเ้าก็จะบรรลุธรรมได้เป็นหนึ่งในธรรมให้ถึงวิมุตห้าประการด้วย ถึงจะไม่ได้ประกาศคําตถาคตกับพิสุแต่ไปประกาศคําตถาคตกับคาิหัสนะถ้าเขายังไม่บรรลุธรรมเขาก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่เขาประกาศคําตถาคตกับคาลิหัสนั้นเขาจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอักซึ่งซึ่งทําไปพร้อมๆกันแล้วจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นและจะบรรลุธรรมขนาดนั้นได้นะั่นการรู้ธรรมะผู้เจ้าเนี่ยมีประโยชน์หมแม้แต่แค่ทรงจําได้เมื่อกี้นั่งมาในรถ โยมก็ถามว่าแล้วแค่ทรงจําได้เนี่ยจะมีประโยชน์ไหมก็บอกว่าที่พระพุทธเจ้าบอกไนงะถ้าทรงจําได้คล่องากขึ้นใจเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและจะได้ปเปรตนิพพานในภพเทวดานั้นนะอย่างนี้ดูแล้วมีประโยชน์หมดเลยขอให้เป็นคําตัาฑ์โคตรและกันนะถามข้อที่ห้านะครับในข้อที่ห้าที่ว่าการมีความกตัญญูกตเวทิตาขอพระอาจารย์อธิบายด้วยว่ากตัญญู ต่อศาสนาหรือว่ากระตันอยู่ในทุกๆเรื่องครับอืมก็น่าจะทุกๆเรื่องนะะคนกระตันอยู่ก็หาได้ยากอก็พูดเป็น ก, กลางๆลางพระที่วัฒนาปะคงต้องท่องพุทธวจนะทุกรูปหรือไม่ครับก็มีแต่หนังสือพุทธวจนะม <c oughs> ไม่รู้จะไปท่องอะไรห <c oughs> นังสืออื่นแล้วก็เคลียร์ๆออกหมดนะให้เหลือแต่คำํำภาษาสดาน ดยความเห็นส่วนตัวของพระอาจารย์พระที่เมาเล่าผิดครับก็ผิดแต่เป็นความผิดก็ต้องต้องวางน้ําหนักตามที่พระสสดาบัญญัติก็คือต้องอบัดไปจิตตินะซึ่งก็สามารถปร่งด้วยวาจาได้แต่สมมุติว่าถ้าทําผิดซ้ําในกรณีทําผิดซ้ําก็จะมีมีความผิดที่ปรับสูงขึ้นเช่น ว, ว่ากลับไปถึงนิสัยใหม่อย่างเนี้ยนะต้องไปได้รับการอบรมใหม่ นี้ขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องของการเพ่งลมหายใจครับเพราะว่าวันก่อนที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องการเพ่งลมหายใจเราไม่ทราบว่าการเพ่งลมจะเป็นสมถะหรือไม่ครับมีข้อดีข้อเสียหรือเปล่าการเพ่งลมเป็นสมถะไห้จเจรนาณาป า, าคนที่มองไม่ออกก็จะมองว่าเป็นสมถะแต่พระุทธเจ้าอธิบายถึงนิพพา น, นคือสาวกนี่มองไม่ออก ว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปถึงนิพพานได้ยังไงนะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพุถุพจนะก็หามุมมองไม่ออกนะนั้นเวลาบอกสอนก็จะครูเจ้าบอกคนที่สาวกที่ไม่ศึกษาคำาศสดาเวลาบอกสอนจะพัดล่มไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวส่วนคำว่าเพ่งก็เป็นคํากลางๆนะจะมีการเพ่งอย่างม้ากระจกเพ่งอย่างม้าอาชาัย ม้ากระจอกผู้เจ้าบอกว่ามันกินข้าวเปลือกมันก็จะเพ่งอยู่ในรางข้าวเปลือกสนใจแต่ข้าวเปลือกมันไม่สนใจอะไรแต่ม้าอาชานายขณะที่กินข้าวเปลือกมันก็ไข้ควรไข้ ค, ควรว่าวันนี้สารถีเราจะฝึกเราอย่างไรเราจะโต้อตอบอย่างไรจะทําอย่างไรอย่างนี้นผู้เจ้าก็อุปมาเปรียบเหมือนภิกษุกระจอกกับภิกษุอาชานาย ภิกษุกระจอก็จะเพ่งแต่ลมไม่ค่ควรอะไรเลยก็ไม่เห็นอะไรอีกเหมือนกันนะภิกษุอาชานัยก็จะเพ่งลมนะแต่จะเห็นอริสัต์เห็นการเกิดการดับมีการค่ควรพิจารณาว่าไอ้ลมคืออะไรใครเป็นคนรู้ลมใครให้ควรจะเกิดปัญญานะนั้นคำว่าเพ่งเนี่ยก็เป็นคํากลางๆถ้าใช้ถูกก็ดีใช้ผิด ก, ก็ไม่ดีความเพียนเหมือนกันความเพียนก็เป็นคํากลาง เพียนมากเกินไปก็ไม่ดีเพียนน้อยไปก็ไม่ดีบอกกับพระโสณนะว่าโสนะความเพียนที่ปลารูกจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้สซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านโสนะเธอจงปารูกความเพียนแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันให้กําหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดหรือที่ตรัสกับพระสารีบุตรว่าความเพียนใดทําแล้วเนี่ยอคุศนเจริญกุศลเสื่อมเนี่ย ให้หยุดความเพียร น, นั้นเสียนะถ้าความเพียรใดทําแล้วเนี่ยกุศลเจริญอกุศลเสื่อมให้ทําต่อไปมีวิธีวัดสอบเยอะเพราะนั้นคำว่าความเพียรก็เป็นคํากลางๆเหมือนกันนั้นคําว่าเพ่งก็เป็นคํากลางๆไม่ใช่ว่าใช้คําว่าเพ่งแล้วจะต้องผิดหรือเพ่งแล้วจะต้องถูกอยู่ที่เพ่งอย่างอาชานายัยหรือเพ่งอย่างมารกะจอบนะนี่ก็เป็นมุมที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอไาไว้ครับผมอันนี้คําถามเพื่อจะตรวจเช็คความเข้าใจของท่านผู้ถามนะครับ เมื่อจิตผู้หลงภาวนาจนเข้าถึงสภาวะนิพพานแล้วจิตผู้หลงจะกลายเป็นจิตผู้รู้คือมีวิชาแล้วเข้าถึงวิมุตติญาณพัสนะเขาก็จะกลับมาใช้ขันธ์ห้าตามปกติต่อไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใ ช, ใช่ใช่หรือไม่กายนี้เป็นแต่ก้อนธาตุรอวันแตกดับสุดจิตก็จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อม น, นุทนเข้าใจนะาก็ ผู้ที่เข้ามาหาจะไม่หลุดพ้นผู้ที่ไม่เข้ามาผู้ที่ไม่เข้ามาหาจะหลุดพ้นพระอาจารย์บอกว่าจิตที่เข้ามาหานามรูปนามรูปในที่นี้หมายถึงขันธ์หรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใช่ไหมครับไม่มีวิญญาณไม่มีอย่าเพราะคนที่เข้าไปหาคือวิญญาณวิญญาณเข้าไปหาขันธทั้งสี่สังขารทั้งหลายกับ สังขารแตกต่างกันอย่างไรสังขารทั้งหลายก็คือตัวขันห้าทั้งหมดเลยนะส่วนสังขารก็คือขันสี่นะในรู้สิกตอนต้นตอนต้นคอสในอธิบายนะตรงสายปฏิจจ์คอสลาฏจักมีแล้วใช่ไหมใชครับใช่อธิบายแล้วตรงนี้อ่าเทียบเทียบให้ดูแล้วก็ซ้อนสายปฏิจจ์ให้ดูดูด้วยว่า สายปฏิจจ์อีกสายนึงเนี่ยไม่พูดไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชาพูดสุดแค่วิญญาณกับนามรูปแล้วโยมลองเอามาสวมกับสายปฏิจจ์ที่พูดไปถึงอวิชชานะโยมจะเห็นเลยว่าพระเจ้าปรับปรับชื่อนามรูปเนี่ยเป็นสังขารแล้วก็ขยับไปเป็นสังขารทั้งหลายแล้วก็มีเพราะอวิชชาความไม่รู้นะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยก็คือวิญญาณกับนามรูปทั้งระบบเนี่ยทั้งระบบเนี่ยมีเพราะไม่รู้นะ นั้นระบบทั้งระบบนี้เวลาจะอธิบายต่อเนี่ยต้องแยกวิญญาณกับนามรู้ออกจากกันไม่งั้นจะอธิบายต่อไม่ได้คำถามนะครับซิกมันฟรอยด์จิตแพทย์กล่าวถึงจิตว่ามีทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเมื่อต้องการรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมก็จะใช้เทคนิคที่หลากหลายเช่น free association โดยให้คนเปลิด ปล่อยความรู้สึกของตนเองออกมาอย่างอิสระจากจิตใต้สำนึกซึ่งเชื่อว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งหรือเป็น 70% อร์ซของจิตมนุษย์เมื่อได้บาปปฏิบัติในครั้งนี้ท่านพระอาจารย์บอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่ความคิดในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ให้รับรู้ว่าไม่ใช่เราคิดแต่เป็นจิตและเมื่อเกิดก็ให้ดับมีเกิดมีดับมีสมุทยัยคืหมายถึงสมุทัยและนิโรธ อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าพุทธศาสนาให้สังเกตสภาวะแห่งจิตแล้วหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งก็เชื่อว่าทำให้พ้น ท, ทุกข์ได้แต่จะอยากรู้ว่าขอสั่งจิตใต้สำนึกของสถานที่ที่หนึ่งที่ทำโดยไซโคโลจิสโดยบอกว่าสามารถที่จะดับทุกข์ได้มีความเป็นไปได้หรือไม่ อะไรน่าจะสำเร็จได้มากกว่ากันในกรณีของการดับทุกข์ในธรวมะทั่วๆไปแสดงว่ายังไม่เข้าสู่เสกภูมิเรายังเห็นว่าคำสอนของสังาาพราหมณ์เหล่าอื่นมีความสำคัญกว่าพระตถาคตาน ะ, ะมันจะลังเล ส, สงสยัยเอ๊หรือว่าสิกมันปลอยมันดีอะไรจิตใต้สำนึกไม่ได้มีในพุทธวจนะไม่ได้มีบัญญัติ นะจิตก็คือจิตความคิดก็ความคิดความจําก็ความจำนะใครรู้ระบบของจิตดีที่สุดนะนะแสดงว่าเรายังไม่มั่นใจว่าพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเรื่องจิตมากที่สุดเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เก่งที่สุดนะรู้ระบบการทํางานของของจิตกับรูปนามอย่างถูกต้องนะไม่มีใครเลิศ ก, กว่าพระพุทธเจ้านะนั้นการบัญญัติศัพท์ต่างๆ เราก็จะเชื่อมั่นว่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติสับอย่างถูกต้องท่าต่างๆในโลกธาเนี่ยมีมากมายเลยนะถามว่าพวกนักจิตวิทยารู้จักอากาสานัญจาณะรู้จักอากินจัญญาณนะเนวะสัญญาอะไรไม่รู้จักเยอะนะผู้เจ้ารู้จักท่าทุกชนิดซึ่งคนจะรู้จักตรงนี้ต้องได้จดตุตฌานฌานที่สี่ ซึ่งเป็นเหตุปัใจจัยให้เขาเนี่ยจะแทงตลอดซึ่งท่าเป็นนเวงได้เขาจะรู้จักท่าทุกชนิดณนถึงเขารู้จักท่าทุกชนิดเขาเป็นแค่สาวกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบัญญัติชื่อท่าได้พระเจ้าเท่านั้นที่จะบัญญัติบัญญัติแปลว่าบัญญัตินิรุตติคือภาษาที่จะใช้เรียกชื่อนั้นๆได้อย่างถูกต้องคนเดียวเท่านั้นในโลกนะังนั้นถ้าเรามั่นคงในความสามารถของพระเจ้าตรงนี้ซาดิอื่นเนี่ ย, ม, ยมันจะไร้าสาระาไปเลย มันจะหมดคุณค่าไปเลยนั้นเขาไม่สามารถยงยัยระบบของจิตได้เท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงนั้นแล้วเราก็จริงๆสามารถตรวจสอบในสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติได้เพราว่าจิตมันทํางานยังไงยังไงจิตใต้สำเร็จก็ไม่มีไม่มีในพุทธวจนะจิตก็คือจิตจิตเป็นผู้รู้เฉยๆ เวลามันไปคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ก็บอกเป็นจิตได้สำเร็จก็คือมันไปเกาะสัญญาสังขารนั่นเองซึ่งสัญญาสังขารที่มันเกาะมันจะไปขุดเรื่อง30ปี50ปีหรืออนาคตอีกกี่ปีมันก็เกาะได้ท่งนั้นนะมันเป็นอนิจจั ง, งก็กลับมาที่คำถามกระดาษอันสุดท้ายนะครับอธิบายคำครับพระอาจารย์ข้อที่1 น, นะครับท่านผู้นี้บอกว่าไปอ่านเจอคําที่พูดถึงบุคคลสี่จำพวก ที่แตกต่างแฝงแฝงอิ MC นทรียนะครับคือคําว่านะครับ ม, มีบาลีคําว่าสอราสังกับป่าและสังยุตโตสองคำนี้ไม่ทราบความหมายแปลว่าอะไรครับคำ น, นี้เป็นคําที่แต่งขึ้นมัน้งลองลองสแกนเขาสะกดยังไงนะมาว่าไม่ไม่มีนะสเสียเรา <ๆ S 1> ไเคยได้ยิน โทนะไม่มีนะสา้ ะ, ะ, ะ, ะสังกับป่า เ, เดี๋ยวลองจับไปที่ภาษาไทยมีพิเศษนะเนี่ย น, นะ ดั่ริคลานของสัตว์ป่าความกระวนกระวายความลำบากใจความเร่าร้อนใจสังกัปปะหถือว่าก็คือความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งลองดูอันอื่นนะ ดั่งหลเล่นไปความดั่งหลเล่นไปในธรรมแปลว่าความดั่งหที่แล่นไปในธรรมอันนี้อกุสุลาสมาความดั่งหลที่เล่นไปในธรรมอันเป็นอภูสุลนะแล้วเขาถามว่ายังไงนะว่าความหมายครั บ, รบอ๋ออ๋ อ, อ, อถามว่าความหมายไี่มีหรือเปล่า ถ้ดูวันนี้ก็สองพจนและเป็นพุทธวนะอยู่นะก็แปลยอย่างนี้แปลว่าความดําเทธิ์ที่เล่นไปนในเรื่องอะไรนะเมื่อพรน์เมื่อสักครูร่ก็เป็นเรื่องของความกระวนกระวายอันนี้ก็เป็นเรื่องของอกุศลบาปอกุศลนั้นตรงนี้ก็อย่างลักษณะที่เห็นนี่ก็เป็นจะมีคําว่าดูก่อนที่ซึงหลายเมื่อกี้ก็จะมีคําว่าอคิเวสนะนะอคิเวสนะนี่ก็จะ มีการกล่าวถึงอยู่บ่อยๆนนี้ก็เป็นพุทธวจะนะด้วยมีคำเดียวเหรอเห็นนี้อีกคำานึงใช่ั้ยสังยุตโตครับสังยุตโตอคำนี้ก็น่าจะมี ที่สามสิบห้าเลยนะเน่นที่สิบห้ามีสังสังยุค ม, มีสังยุคโตสังยุคโตลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นอัตฉริยใช่ไหม เปียนคีย์เวิร์ดใหม่เป็นสังยุตสังยุตก็จะไปอยู่ในเล่มสามสิบห้าสมสิบห้าสิห้าหมดเลยก็จะเป็นอภิธรรมเพราะว่าอาไปเจอในนี้เล่มสามสิบใช่ไหมเล่มสิบสาสังยุตโตอลองดู อ๋อมันมันไม่ใช่คําคําเดียวกันมันเป็นสังแล้วก็มันมีคําว่ายุตโตแยกออกมาไม่ใช่คําคําเดียวกันลองดูอันใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่นะเป็นคำแยกไม่ไม่ใช่คําเดียวกัน อันนี้ตัดไปไดไ้ไม่ใช่มันมีอีกอันหนึ่งที่มีในเล่มไหนเนาะ ก็แยกอีก่กันมันจะดูเรื่อสิบแปดนี่ก็แยกอีกไม่ใช่คำเดียวกันยี่สิแยี่สิบเก้าแยกอีกเหมือนกัน สังยุตโตคาเดียวกันไม่มีนะครับต้องาาอาจจ์จบมาอา่าเคื่อนไป็นครับเราเต้องไปดูมันครับครับแล้วก็มีสีคำครั บ, ร บ, มรบอมตะบทสันติบทนิพพานบทเสรีบ ท, บ ท, บทถามว่าสี่คำนี้ในพุทธวจนะใช้ยุติข้อสงสัยในธรรมได้หรือไม่ครับถ้าพุทธเจ้ารับรองหรือเปล่าไหมคาคำสี่คาที่อยู่ในพจนานุกรมไทยบาลี ที่ว่าอมตะบทสันติ บ, บ ท, บทนิพพานบทเสรีบทท่านถามว่าคําที่สี่คำทั้งสี่คำนี้ในพุทธวจนะใช้ยุติข้อสงสัยในธรรมได้หรือไม่และพระพุทธเจ้ารับรองคํานี้หรือเปล่าเขาไม่ได้ไเขาเหมือนกับเขาถามมาเหมือนกับว่าอันนี้เป็นพุทธวจนะแล้วใช่ครับใช่ไหมไม่ไม่ได้ถามว่าเป็นพุทธวจนะหรือไม่ได้ถามว่าใช่หรือว่า ว่าเรืยอนี้ใช้ในข้อสงสัยที่ถามนี้ไม่น่าลองลองต้องลองหาคำนี้ก่อนก็ได้ลองลองเอามามาให้สแกน ว่าถ้าถ้าเอามาจากของท่านพยุต์ท่านพยุติยังใช้อัตถกาถาอยู่ท่านก็ใช้ผสมกันระหว่างอาัตถกถากับกุจุปจนะมันก็ยังฟันทงไม่ได้เพราะนั้นหนังสือของท่านมันต้องเช็คหมดไงเสรีเสรีบทไม่มีอ่เอาเบติละคำ อันนี้เอาหาในภาษาไทยก่อนนะเอาทีละอันนะมิพานโบท บางทีอาหาในภาษาไทยเจออย่างนี้นะลองกลับลงในปาลีคำนี้มีไหมเนีนะ่ยพวกนิพพานบทอะไรอย่างนี้ ลักษณะของของตรงนี้ก็อย่างพระสูตรนี้ก็จะเป็นคำที่แต่งขึ้นเองในบาลีไม่มีนะเป็นภาษาไทยแต่งขึ้นเองสันติบทสันีิเบศนะดูอ่าเป็นอัตถาอันนี้อัตถา ลองดูาคาว่านี่ก็อัตคกถาเนี่ยคือถ้ายังอ่านหนังสือที่เขายังไม่ชัดเจนในพุทธศาสนะมันจะปวดหัวเยอะเราก็ต้องมานั่งเคลียร์เขาว่าเอ๊ะอันนี้เขาหยิบพุทธศาสนะมาลึกผ่าวคืออาตมาจะตัดเลยว่าที่ถ้าเขาไม่ชัดเจนในเพื่เราจะไม่อ่านนะอ่าไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบว่าเขาไปหยิบคาที่ไหนมาอย่างเงี้ยอ่าก็กลายเป็นพอมาซช่นแล้วก็ เป็นคำอัตกรถาปนมาบ้างพุทธะชนะบ้างคะเข้ า, เากันอย่างเงี้ยถ้าเราเนี่ยเจอคำถูกคาผิดคำถูกคำผิดอ่านแล้วเราจะงงเองไงอืมอืมอืมอืมันจะมาไม่อ่านหนังสือท่านแล้วนะเพราะเพราะถ้าท่านยืนยันว่าอัตกรถาได้เนี่ย คำพูดท่านจะมีอสังกถาปอนอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งเราเขี้เกียจไปนั่งแยกคําผิดของท่านเท่ากับเราไปจับผิดท่านอีกเลยเขี้เกียจไม่ไม่อ่านดีกว่าเราอ่านแต่คำพุทธเจ้าดีกว่าอย่างเนี้ยอืมอืมเ พ, พ, พราะเพราะเพราะเราอ่านเพราะเราอ่านพุทเจ้าเนี่ยมันก็ครบถ้วนแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องอ่านของท่านเลยอ๋ออาจารมาไม่ไม่เชื่อท่านเลย เพราะว่าถ้าเราหาไม่เจอก็คือเราหาไม่เจอใช่ไหมแล้วเราก็สื่อคนของเราเองอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นถ้าอ่าใช่ถ้าถ้าเราหาปุ๊บเราก็จะหาในบาลีหาในภาษาไทยถ้าไม่เจอทั้งสองก็คือไม่มีละอย่างเงี้ยแล้ผมก็เดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวมีโปรแกรมแจกครับพ <c oughs> ี่เดี๋ยวตอเ <c oughs> ดี๋ยวต้ใช่ใช <c oughs> เพราะว่าอันนี้พาจะหาแต่ละอันเนี่ยต้องใช้เวลาก็ <c oughs> าต้องค <c oughs> <ม>ลิกกลับไปมาหลายรอง <c oughs> ยังมีเวลาอีก25ทีครับถ้าจะช่วงถามสดกันต่อขอสัก 2-3-5 บ้างครับยกมือเลยครับยกมือช้างไว้นะครับจะได้ไปถูกน้องนัทก่อนแล้วคุณคุณเบิร์นก่อนนะครับแล้วก็ท่างด้านหลังครับพี่ลิไทยชนกนะครับนึกว่าหลงทางไปแล้วมีน้อยมาด้วยตครับ อะไรนะตุเฮ้ยตุดึงสุลาจะผิดไหมคะหนูก็เลยคิดงสูบบุหรีดร่ด้วยอะค่ะจะผิดด้วยเลยคะ่ะอ๋อเอ่อดึงสุลาก็ผิดมีบัญญัติตรงๆอยู่แล้วแต่สูบบุหรี่เนี่ยไม่มีบัญญัติจะมีในข้อที่ที่มีคำว่ามัชชะเนี่ยซึ่งในพจนานุกรมก็จะแปลว่าน้ำเมาหมดอะนะแต่บางคนเขาแปลว่า Yeah. สิ่งเสพติดนะเขาก็เลยตีไปถึงบุหรี่ด้วยเลยไม่รู้ว่าใครแปลถูกนะงั้นมันก็ต้องไปสืบค้นกันว่ามัจชะเนี่ยนะในพระสูตรอื่นเนี่ยมีบอกไว้ถึงอะไรบ้างนะถ้าจะสืบคน้นท่านจะแกะคํานีนะ้ก็เลยตัวตัวที่เป็นปัญหาคือตัวคําว่ามัจชะเนี่ยยังไม่ยังไม่แน่ใจทนีนี้ใน ในพระจนานุกรมทุกตานเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยเขจะแปลว่าสุลาอย่างนึ่งแต่ตามาเคยไปได้ยินพระมหาท่านหนึ่งท่านบอกว่าแปลว่ า, าย า, าสิ่งเสพติดนะซึ่งนั่นก็เป็นคําพูดของคนมันต้องดูที่หลักฐานนะเพียงแต่เราฟังคําพูดของคนคนหนึ่งมาแล้วก็มาดูกับหลักฐานว่าเอา๊ะมันไม่ตรงกันนะนั้นก็ ถ้าต้องการเข้ายุติก็คือเราจะต้องสืบค้นคำว่ามัชฌาเนี่ยว่าแปลว่าอะไรโดยไปดูพระสูตรอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันทางดมันนสการของที่ตอ น, น, ตนที่สามที่เปิดช่วงบางนีนะคะ่ะบอกว่า ตามดูกายแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จะอวิจังใช่ไหมตามดูกายใช่ไหมก็จะให้ดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออวิจารนะคะต่อจากนั้นก็จะเห็นการเกิดของจิตที่ก็คือตัวใหม่ก็คือสมุมทรฐานจิตตัวเกิดใช่ไหมคะ <ๆๆ S 2> ดูต่อไปก็จะเห็นการดับของจิตทุโลกนะคะต่อจากนั้นก็จะเห็นนักตายของความไม่ตายธาอาจารย์สานเพิ่มเติมต่อจากตรงนี้นะคะคดีแสงเงาแบบ อันไหนไน้อจำจำส้กสูตเต็มนะ ดูกายคุณโยมหมายถึงอะไรดูเพราะดูกายหมายถึงจำำําคําพูดทุกคําได้ไหมมันมันเพราะว่าคือคือฟังแล้วมันยังหลวมอ่ะมันอธิบายมันก็อธิบายเท่ากับอาตมาก็ปรุงแต่งไปเอง<ช>ว่าไอ้มันคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้มันก็จะผิดอีกอ่นะก็จ ะ, จ, จะลองดูนะคะ อตอนทีต่ต อ, อนขึ้นมาสองเตียงสองหลักไปแล้วก็ให้เอาจิตผู้รู้มาตั้งอยู่ที่กายเพราะจิตไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราและจิตเกาะได้ทีระอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาจิตไปอยู่กับกายก็จะเห็นได้เพียงอารมณ์เดียวและจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคืออันนี้ดำต่อจากนั้นก็จะเห็นการเกิดของจิตตัวใหม่คือสมุทยัยดูต่อไปก็จะเห็นการดับของจิตคือนโรด หลจากนั้นก็จะเห็นอนัตตาก็ให้ดูต่อไปเรื่อยๆเข้าใจละคำถามคืออะไรก็ต่อจากอันนี้ค่ะคะือไม่ทราบว่าต้องทาอะไรต่อดูยังไงต่ออ๋อต่อจากอันนี้เหรอหลังจากที่อนัตตาแล้วต่อจากอนัตตาก็คือเราจะเห็นเนตังมะมะเนสซมะสมิณะเนโตาก็คือเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นคาสอนส่วนใหญ่เนี่ยจะสอนสุดแค่อนัตตากันในยุคเนี่ย แต่จริงๆแล้วพระตถาคตเนี่ยสอนเลยไปถึงนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นถามว่าพอเห็นอนัตตาแล้วยังไงมันไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วยังไงมันไม่จบอะคนก็ยังสงสัยแล้วยังไงล่ะเห็นมันดับเห็นมันเป็นอนัตตาแล้วยังไงพอเจอที่พระุทธเจ้าบอกสามคำนี้มันจบเลยปะเออมันกับเรานี่ไม่ใช่ตัวเดียวกันมันคือละมันก็คือขันธ์ทั้งห้าเลย นั้นตรงเนี้ยเราจะเข้าใจเลยว่าเราเนี่ยจะถอนอุปทานจากขันท่าได้คือมันจะแยกกันระหว่างผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คื อ, อตัวเนตันมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเมโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานันเมโซัาตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่ง3มตัวเนี้ยผู้เจ้าจะเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ สักยักษคือตัวตนความดับไม่เหลือแห่งความมีตัวตนนะจะใช้สามตัวนี้นั้นผู้เจ้าเนี่ยให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเป็นอนัตตาต่อจากอนัตตาคือตัวนี้สามตัวนี้ถามว่ามีใครสอนนะยงเคยได้ยินพาที่ไหนสอนนะไม่มีแต่ผู้เจ้าพูดเป็นร้อยพระสูตรตรงนี้พูดเต็มเลยอาตมาก็สงสัยมันหายไปจากระบบพันสอนไปเมื่อไหร่ทั้งๆ ท, ที่ผู้เจ้าพูด พูดต่อเนื่องกับอนิจจังทุกขังนาตาทุกขังแต่เรามาจบแค่นาตาเราไม่ได้สอนคำนี้มองไม่ออกด้วยว่าไอ้สามคำนี้มันเป็นคำที่สําคัญแล้วมันเป็นปฏิปทาอันหนึ่งด้วยมันเป็นปัญญานหนึ่งด้วยที่จะที่เกิดขึ้นหลังจากเห็นอนิจจังทุกขังนาตาแล้วหนึ่งเนี้ยครับก่อนที่จะถึงตรงนี้จิตจะต้องตั้งมั่นแล้วที่ สิ่จิตที่ทเราตั้งมั่นที่อาจารยอาจารย์สาาาอนบอกว่าจะต้องให้เฝ้าดูเท่ามามันจะเกิดดับอรวดเร็วแล้วถ้าถึงช่วงที่จิดตั้งมั่นแล้วเกิดเราละความเพียรคือไม่ได้ทําต่ออาจจะคิดว่าเก่งแล้วลหรืออรอย่งจิตตั้งมั่นจนนี้สามารถที่จะเสื่ยงหรือว่าแ บ, บา ไ, ได้ <บน S 2> ได้ตลอดอมันก็อนิจจ์นะเพราะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาใช่สมาธิมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเที่ยงแล้วทําไมถึงจะต้องเข้าไปเพ่งจ้องแบบ ก็ <c oughs> ไม่จ้องแล้วจะเห็นเกิดดับไหมละ่ะ <c oughs> ผู้เจ้าสั่งเองว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีถึงเพ่งจ้องแบบถ้าไม่ตั้งใจจะเห็นไหมละ่ะทุกวันนี้คนนั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นการเกิดดับไหมที่ผู้เจ้าบอกให้เห็นก็ไม่เห็นไม่เห็นทำไงก็ไปเฝ้าดูให้ดีๆนะเฝ้าดูไม่ดีมันจะเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับคนดูจิตทั่วไปมันจะเห็นไหม ถ้าไม่มาตั้งใจดูใช่ไห ม, นะมการรู้โดยการถามนะคะออน้ำหนักหรือความแตกต่างกับการรู้โดยเฉพาะตนคืนที่เป็นปัจจุบันนะคะเหมือนกันเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าเมื่อเข้าไปพบผู้ผที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะแล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปซักซ้ายไล่เรียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ใน ด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดทรรที่ถูกปิดไว้ได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้ใคลายลงไปได้พระศาสดาสั่งให้ทําอย่างนี้ไม่งั้นโยมจะบรรเทาความสงสัยได้อย่างไงจะเปิดทรรที่ถูกปิดได้อย่างไงใช่ไหมอ่านั้นเมื่อบรรเทาได้แล้วเนี่ยก็อยู่ที่โยมเนี่ยอ่า <c oughs> มีอินทรีย์บ ร, รมีขนาดไหนอินทรีย์บ ร, รมีภายยะมีมากพอสักถามแล้วเข้าใจปุ๊บเป็นผลานเลยอินทรีย์บ ร, รมีโยมน้อยโยมก็ต้อง อารมณ์ความเพียรต่อไปมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์หมดแม้แค่ทรงจำยังมีประโยชน์เลยเย้ไห ม, มข้างหลังดนัครับย ได้เคยอ่านหนังสือของท่านเหรอก็ดีสินะฮะอะฮาอาฮาาาเป็นเจ้าวาดเหรอเหาสมเพิ่งพิมพ์หรือว่าพิมพ์นานแล้ว วัดโสมมาขอหนังสือผู้ชวจนาที่วัดอยู่จํานวนมากย้นะหลายครั้งครับพี่เวือกใคชนกต่อครับยกมือไว้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกมีผู้เจ้าสอนให้ใช้ปฏิปทาตรงนี้ตั้งแต่แรกด้วย ตอนนั้นถ้าถ้าคนเข้าใจเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่แรกได้แต่หลายคนไม่จะเข้าใจก็ไม่ใช่ง่ายท่ายมบอกว่าพพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยตัวเราไม่ใช่เราเข้าใจยากะก็ตัวฉันยังเป็นฉันอยู่มันก็จะนั่งเสียงกันได้นะบอกแก้วไม่ใช่ของโยบ ก, ก็แก้วฉันซื้อมาไม่ใช่เราใช่อ่าเพราะฉะนั้นอคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็คือต้อง ลดระดับลงมาเห็นไหมว่าแก้วเป็นอนัตตาไม่เห็นไม่เห็นก็ต้องลดลงมาเห็นแก้วแตกไหมคือเป็นทุกทุกขังคือแตกสลายนะมีคนแย้งอตมาบอกว่าแก้วสเตนเลสไม่แตกครับเห็นนะแสดงว่าเขาไม่เห็นทุกขังก็ต้องลดระดับเข้าไปเห็นไม่เที่ยงไหมสเตนเลสก็มีลอยขีดข่วนได้นะบุกได้ ผูดเอาตะปูขูดก็เสื่อมสลายได้ผูดไปร้อยปีพันปีพังได้พังได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยเข้าภูมิธรรมโสดาบันไม่ได้เห็นไหมว่าต้องลดระดับจากนี่ลงมานี่ลงมานี่ลงมา น, มานี่นั้นตัวนี้เป็นตัวตัวแรกเลยตัวพื้นฐานสัทธานุสาลีต้องเห็นว่าตาหูจมูกดิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนั้นถ้าเรากระโดดมาใช้ตัวเนี้ยก็ต้อง เป็นผู้มีปัญญามากถึงจะใช้เนตังมะมะเนโซมาซินะเนโซตานั้นผู้เจ้าเนี่ยสอนธรรมะไว้หลากหลายเพื่อแล้วแต่ว่าอินทร์บารมีแต่ละคนที่ไม่เท่ากันสร้างปัญญาไม่เท่ากันสมาธิไม่เท่ากันสติฝึกมาไม่เท่ากันศรัทธาไม่เท่ากันเขาจะได้หยิบของเข้าไปใช้ได้ถ้ายอมเห็นปั๊บเนี่ยเข้าใจเลยหยิบไปใช้เลยก็จบใช่ไหม แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็ลดมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆไม่ได้ยินยอะเยอะพี่พูดพูดตรงๆครับเอาใหม่พูดตรงๆพูตั้งฉากยอมปฏิบัติมาหลายวันนะที่ค่ะตั้งใจงมีอยู่ว่าเมื่อตอนกลางวันเมื่อวานนี้เจ้าค่ะเดิน ยยมเดินจงกรมตามทำลาจะภาพจิตไม่ค่อยนิ่งแต่เดินไปเดินมาก็มีในมีความรู้สึกมีความคิดว่าเห็นว่าร่างกายทำลายมันเป็นโครงกระดูกกำลังเดินจงกมอยู่ค่ะเสร็จแล้วยโยมก็ตามดูมันเสร็จแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็กลับไปนั่งพอไปนั่งเนี่ยมันก็ มันก็ไม่นิ่งเจ้าค่ะโยมก็เลยยืนใช้ยืนแล้วก็กำหนใหดให้จิตให้อยู่กับกายก็สู้อยู่กับมันต้องเรียกว่าสู้เจ้าค่ะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะฟุ้งอยู่ตลอดโยมก็ใช้วิธีพิจรารณาว่ามันฟุ้งไปในเวทนาหรือว่าสังขารหรือว่าสัญญา แล้วก็ดึงกลับมาอยู่ได้พักใหญ่ได้เวลาที่จะมาเจอกันที่นี่ตอนบ่ายโยมได้เออโยมได้ความนิ่งมันนิ่งดูอย่างนั้นก็ค่ะแล้วก็โยมก็พิจารณาดูมันนิ่งแล้วมันก็หายไปโยมก็รู้แล้วมันก็กลับมาอีกโยมก็รู้จนกระทั่ง มานั่งแล้วก็ตอนที่พระอาจารย์ได้อธิบายตอนตอนค่ำก็ค่ะโยมไม่มีความสงสัยเลยเพราะว่าจากการที่โยมเห็นโครงกระดูกเดินและโยมก็ทิ้งไปมันเป็นนิสัยที่พระอาจารย์บอกว่าครั้งแรกที่โยมมาหาโยมใช้วิธีแบบไม่รู้ก็คือเห็นอะไรก็ไม่รู้ ให้ทิ้งไปรู้สึกอะไรก็ทิ้งไปจากการที่โยมเห็นโครงกระดูกและโยมก็ทิ้งไปโยมไม่ตามไปดูยทำให้โยมไม่รู้สึกการสงสัยอันนี้พอเสร็จแล้วเมื่อตอนเช้าเมื่อตอนที่อาจารย์เมื่อวานที่อาจารย์อธิบายสติจารยสมุปบาทนะเพืคะซึ่งเป็นอาการของจิตและก็มาสัมพันธ์กับโทษชงเพราะว่าเมื่อโยมปฏิบัติแล้วเนี่ย ยมยมยีวิริยะยยมมีความตั้งใจเพราะว่ามาแล้วกว่าจะได้เวลามาก็หายยากมาตั้งใจจริงๆเลยแล้วก็ได้มีรวิรยะได้จิตตั้งมั่นได้อุเบกขาพอตอนค่ำเมื่อวานนี้โยมเดินไป โยมมันมีปิติสิค่ะแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็โผล่มาอีกโยมก็เป้าดูว่ามันจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่แล้วมันก็จะดับไปอีกเมื่อไหร่จนกระทั่งตอนแรกเนี่ยมันเร็วมากสิค่ะแต่โยมก็ยังรู้แต่พอใกล้ๆเธอถึงบ้านพักเนี่ยไอการสังเกตนันมันจะเริ่มช้าลงโยมเห็นว่ามันดับ การดับของมันเนี่ยช้าลงแล้มันก็ติปเกิดเกิดเนี่ยมันก็ช้าด้วยเหมืกันถ้าตอนเช้าเนี่ยโยมมาฟังอีกโยมนั่งเสียดาอยู่เหมือนกันเจ้าคะว่าความจริงแล้วลักษณะที่มันเกิดขึ้นน่ยดับอย่างช้าช้าแล้วก็เกิดขึ้นอีกอย่างช้าช้าเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยโยมโยมมัวแต่ไป ไปตั้งใจ่ดูมันดับและเกิดไม่ได้พิจารนาว่าตอนที่มันค่อยๆดับและมันค่อยๆเกิดเนี่ยความจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่องที่เราวางมันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะพอเสร็จแล้วจากตอนเช้าเนี่ยก็ได้กำลังจิตของของโยมเนี่ยคิดว่ากำลังจิตเนี่ยมัน มันดีมากๆเลยเจ้าค่าจนกระทั่งคิดว่าไดหยินใจมากเลยว่าภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยมันไม่ยากเลยเราได้เราได้ตรงนี้เราได้ทิคแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเรารู้จริงๆเนี่ยแล้วเอาเราใช้ความเพียรเอาชนะ ม, มันเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเนี่ย โยมก็เลยไม่สงสัยใดๆเลยแต่ว่าโยมจะมีความเบิกบานอยู่ในใจแต่เสร็จแล้ววันนี้มีฝนตกนะคะโยมไม่สามารถนั่งแล้วก็เวลาไปเดินตรงๆเนี่ยก็ไม่สามารถไปเดินในที่ที่เคยเดินได้แต่ก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นปัจจัย อย่างหนึ่งที่เราต้องต้องประสบได้เราก็สามารถที่จะทำได้แต่แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโยมไม่ว่าจะนั่งหรือว่ายืนก็แล้วมันเหมือนกับค่าศึกมันมามันมันคิดไปเรื่อยเมันจิตมันไปเรื่อยแต่ค่ะเมื่อเมื่อมันคิดไปโยมก็พิจารณาไปที่มันอีกว่า มันไปคิดอะไรแล้วคิดในในสังในสังขาหรือว่า เ, เวทนาไหนแล้วเอากลับมามันเร็วเกิดขึ้นเร็วมากจนเอามันไม่ไหวเจ้าค่ะโยมก็เลยวันเนี้ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งวันเจ้าค่ะเดินจงกรมก็ไม่ไม่เอากับมันก็ไม่ไหว นั่งก็ไม่ไหวได้แต่นั่งแล้วก็ตับหลับตาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้วิธีนั่งแล้วก็ลืมตาแล้วก็หลุกตาลงต่ายังพอช่วยบรรเทาได้บ้างทีนี้โยมคิดว่าโยมจะต้องแก้ไขปัญหาโดยวิธีของพระพุทธเจ้าแต่บางคั้โยมอยากโยมโยมไยม่มไกล้าว่า จะทำไปจะไปสู้อะไรกับมันกรู้สึกว่ากาลังวันนี้มันไม่มีก็ลเลยอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าข่าวว่าสิ่งที่โยมประสบอยู่ตรงนี้โยมมันคือกำลังของโยมที่มีมีน้อยหรือว่าหรือว่าโยมจะมีวิธีการแก้อย่างไรเจ้า่เพราะว่าโยมก็ใช้วิธีการเอาจิตไปอยุดจากายแล้ว โยมอยากได้อยากถาปัญหาจากพระพุทธเจา้าจากท้าวอาจารย์พระผาก็ทําต่อไปแหลนะนะมันก็ขึ้ น, ข, นขึ้นลงๆอย่างนี้แนหะดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ดูไปเรื่อยๆก็ทำ<น>ทำมาแล้วก็ถูกตามที่พระเจ้าตั้งกฎไปแล้วเราก็เราก็ทําซ้ําต่อไปเรื่อยๆน อาศัยกายเป็นครึ่องอยู่ต่อไปต่อไปมันเห็นเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายค่อยๆ พ, อพ่อคูณความเบื่อหน่ายไปเรื่อยๆของมันเองก็ทำซ้ำอย่างเดิมนะครับก็สอบเพิ่ครึ่งกรณีเขาไปจะมีเพิ่มเติมไหม ม, <laughs> มีเพิ่มไหครับทางั้นที่นิตยาับ การทำกิก า, ารค่ะเนื่องจากว่าได้มีการฝึกสติมาพอสมควรหลายปีแล้วนับเป็น10ปีทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโยมก็รู้สึกว่าปวดท้องมากแล้วก็ไม่สบายแล้วเสร็จแล้วก็เราสังเกตดูว่าแผนที่จิตเนี่ยแ ล, แล้วเสร็จแล้วเราก็เดินไปเดินไปจะไปข้าห้องน้ำนะคะแล้วมันก็ในขณะที่เดินไปข้ห้องน้ำเนี่ย มันจิตเนี่ยมันก็จับเวทนาจับอยู่เรื่อยๆืๆ่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยหมดสติไปเลยพอหมดสติเราก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมคะทะน่นี้เอ่อจากการที่เราฝึกอย่างเงี้ยฝึกสติดูลมหายใจมาตลอด1ิปีเนี่ยพอเวลาที่เราเราจะเป็นลมเนี่ยเรากับเอาจิตไปจับเวทนาเห็นการปวดปวดปวดปดปว ด, ปว ด, ปว ด, ปวดถึงที่สุดแล้วแล้วมันทนไม่ไหวแล้วมันก็มันก็สลบไป อนี้ค่ะแล้วพอครัง้งต่อมาอีกหลายปีก็มีอาการอย่างนี้อีกก็คือพอเวลาที่เราทํางานหนักๆแล้วมันก็มีอาการปวดท้องแล้วเราก็หมดแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันเกือบจะสลบไปอย่างนี้นะเกือบจะหมดความรู้สึกในทุกครั้งที่จะหมดความรู้สึกเนี่ยจิตเราจะไปจับอยู่ที่เวทนาทั้งๆ ท, งที่เวลาที่เรากําหนดสติมาตลอดทุกวันเนี่ยเรากําหนดด้วยการดูลมหายใจดู กายเคลื่อนไหวแต่พอเวลาเราใ ก, ใกล้จะหมดสติทไรเราก็ไปดูเวทนาทุกทีเพราะฉะนั้นเราก็ไปเห็นการปวดปวดปวดปวดถึง ท, ที่สุดแล้วเราก็แค่จิตมันจะสติมันจะดับลงนะะี่ค่ะทำไมว่าเราไม่สามารถที่จะใชะ้สติที่เราฝึกมานับเป็น10ปีเนี่ยมาจับลมหายใจได้เลยทุกครั้งมันจะไปจับเวทนาทุกครั้งแล้วก็ ท่านอาจารย์อมรามาริลาเคยไปอ่านบทความของท่านท่านก็บอกว่ามีท่านฝึกกับพระอาจารย์สิงห์ทองมาสองปีเต็มแล้วก็ดูลมหายใจมาตลอดดูลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่ท่าน เ, เป็นเมนแล้วท่านก็รู้สึกจะเป็นลมอยู่หน้าห้องน้ําขณะที่แก้ใก้จะหมดสติเนี่ยจิตก็ไปจับสังขารคือไปได้ยินเสียงละครนิเกะ เ, เพลงแล้วเสร็จแล้วท่านก็หมดสติไป จิตก็ไม่ไปจับลมหายใจเหมือนกันในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราตายไปในขณะนั้นเนี่ยเราก็ไปลงโนรกหรือเปล่าคะของของอมาราหรือของโยมคือของของของโยมเองเนี่ยของโยม แต่ตอนนี้ของของคุณหมอเนี่ยคงคงถ้าเป็นอย่างนั้นอารมณนรกแน่นะคะเพราะจิตมันไปฟุ้งที่ที่สังขารมากแต่ของโยมเนี่ยจับเวทนาจนเราเห็นเวทนาสูงสุดยางไม่แน่หรอกเยอะเพราะว่าพรุทธเจ้าบอกว่าจะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงตายเนี่ยการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลังกันตรงนี้ยังประเมินไม่ได้นั้น จิตจนไปจับเวตนาก็รจริงคิดว่ามันจะเอาถัวรอนไม่ได้ไม่แน่พระผัดคุณหนะ์ก็จับเวตนาเหมือนกันพุณเจ้าถามผัดคุณหนะ์ทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวออกเจ็บท้องมากปวดหัวมากจะไม่เอาท่าเดียวเลยนะคุณเจ้าบอกให้ตั้งใจฟังตำนะก็รับสังโยธาเบื้ ง, งต่นะําได้ไม่น่าเชื่อนะนั้นก็อย่าพึ่งไปไปดูถูกตนเองว่าเอ เราจิตไปจับเวทนาทุกทีแล้วสงสัยจะไม่รอดทางใจใจงั้น ไ, ไ, มไม่แน่ครูเจ้าบอกผูคนสามจำพวกมีอยู่ในโลกพวกหนึ่งเนี่ยพวกจิตฟุ้งสร้างผู้จ้ากลับกรอกเพอเอ้อเจ้อนะอทุสินพวกเนี้เป็นพวกประเมินได้ง่ายนะส่วนผู้ที่สังวรสํารวมอินทร์วาจา ตั้งมั่นไม่กับกรอบมีสติไร้ตาอย่างนี้พวกนี้ประเมินยากนะนั้นประเมินประเมินยากนั้นแค่นี้จะประเมินเนี่ยยังไม่ได้ส่วนบุคคลอีกพวกหนึง่งพระองค์บอกว่าประเมินไม่ได้คือพระอรหันต์ประเมินไม่ได้นี่คือบุคคลสามจำพวกนั้นพระอราหารันต์เนี่ยประเมินไม่ได้ไไดแต่พระเสขาเนี่ย หรือผู้ที่กำลังฝึกกำลังเดินมนพวกนี้ประเมินยากนะส่วนพวกประเมินง่ายก็คือพวกทุสินทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ประเมินง่ายนะเพราะนั้นเราฝึกมานานขนาดนี้เนี่ยอ่าจะฟันธงว่าเอ้ยสงสัยจะไปไม่ดีไม่ไม่น่าใช่นะซึ่งมันอาจจะมีช่วงที่บรลลุรมนะ ก่อนสิ้นชีวิตการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลั ง, งกันก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งน ะ, ะเป็นเวทนาที่ผู้เจ้าให้ปล่อยให้ทิ้งอ่ะเพราะกายเวทนาจิตธรรมผู้เจ้าก็ให้เห็นอุเบกขานะเวทนาที่ให้ก่อนี่คืออุเบกขาไม่ใช่ให้เกาะสุขกับทุก สุกทุกนี่ต้องทิ้งแล้วให้มาอยู่อุเบกขาถ้ายมเกาะสุขก็ไปเป็นลาคานุสัยเพลินต่อสุขเกาะทุกก็ไปเป็นปฏิคานุสัยก็ต้องทั้าสองอันนี้แล้วพยายามอยู่กับอุเบกขาแลมาตอนอตอนเป็นนักเรียนปีสองสองก็เพิ่งไปฝึกการหลวว่าชาไม่นาน แต่ก็รู้แล้วว่าวิธีคือกลับมาอยู่ลมในใจแล้วไปไปวิ่งซิกแซกสอบตอนสอบพละนะเสร็จแล้วก็ลื่นล้มตัวหมุนไปหัวฟาดกาแพงแล้วก็น็อกเรียบร้อยชัดนะเพราะวิ่งมาอย่างเร็วเลยแล้วล้มปั๊บหมุนอย่างแรงเลยฟาดกาแพงปั้งเข้าไป ก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะขยับตัวก็ขยับไม่ได้ก็ตายแน่ไม่เคยมีอาการอย่างนี้นะก็ขณะที่รู้สึกว่าคงจะตายแล้วจิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็นึกถึงลมหายใจดูลมเข้าออกเองาลอจิตมันก็รู้สึกแต่เป็นความรู้เฉยๆแล้วก็เหมือนลอยขึ้นมาข้างบน แล้วก็เห็นตัวเราอยู่ข้างล่างคนก็วิ่งกับมันช่วยรปรพยาบาลกันเต็มเลยแต่เราไม่มีความเจ็บปวดนะไม่มีตัวไม่มีอะไรเป็นความรู้เฉยๆก็มองมาที่ที่กายของเรานั้นดูแล้วเนี่ยขนาดเราฝึกมากระป้องกระแปงนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะจิตมันก็ยังสามารถนกะลับมาะระลึกได้นะ่ถึงกายแล้วมันก็ทํางานของมันเอง นั้นในช่วงจังหวะสุดท้ายก่อนโยมจะตายหรือจะสิ้นชีวิตเนี่ยมันมีกายแตคทาลายแล้วก็การขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตมันจะมสีสองขั้นตอนคือกายแตกทาลายนะ้ชีวิตยังไม่แตกทาลายพอกายแตกทาลายสักพักหนึ่งชีวิตแตกทาลายทีเนียช่วงเนี้ยโยมสามารถบรรลุธรรมได้ฟังนะนั้นการกระทําของเราเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอน ที่พุทธเจ้าบอกเรื่องของวิเลจนันนังเนี่ยยาถ่ายอันเป็นอริยะมักมีองค์แเนี่ยให้ผลแน่นอนเปรียบด้วยยาถ่ายทางโลกเนี่ยให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างแต่ยาถ่ายอันเป็นอริยะคือมักมีองค์แปเนี่ยที่จะถ่ายความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยให้ผลแน่นอนไม่มีการไม่ให้ผลนะนั้นทุกขณะของการกระทำเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงไปทั้งหมดอวิชชาจะค่อยๆจางคลายไป ก็ต้องไปลองทําเรื่อยๆอทีนะด้า น, นช่วงสุดท้ายเนี่ยพยายามดึงจิตกลับมาที่ลมมันเกาะเวทนาก็เกาะเกาะเราก็ดึงมาที่กายของเราดึงมาที่ลมดึงมาที่ลมดึงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราจะบอกว่าทําไม่ได้ก็ไม่ได้มันเป็นช่วงสุดท้ายและที่จะต้องทำใช่ไหมครับก็บพอสมควรครับวันนี้ก็เลยเวลามานี้ห่อย วันนี้นะครับมีโอกาสครับพรุ่งนี้วันเราจะกราบพระจ่านะครับกราบครับ